นวัสการพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์สมณะและศิคมาสทุกรูปครับจเจริญธรรมสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังนะครับทางเอ t v อมทีวนะครับหรือฟังจากทางวิทยุนะครับกลับมาพบกับรายการเรียนอิสระตามสำนึกเช่นเคยนะครับโดยผมกิจดาให้วัฒนานุกูลทาหน้าที่ผู้ดำเนินรายการขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องกันเกาที่สันติอโศกครับส่วน พ่อครูนั้นตอนนี้อยู่ที่บ้านราชธานีอโศกครับพ่อครูครับวันนี้เทคโนโลยีคงไปได้สวยครับพเพราะทดสอบกันพอสมควรนะครับครับวันนี้ก็ยังตรงกับวันแรมสิบค่ําเดือนหก <c oughs> ปีมะเส็งนะครับแรมสิบค่ําเดือนหกปีมะเสงก็วันนี้ก็คงจะเป็นช่วงของการต้องเตรียมตัว เตรียมงานที่บันราชกันจะเป็นงานใหญ่พร้อมๆกันหลายๆงานไม่ว่าจะเป็นงานเอการกลับมาของสิ่งเก่างานโฮมนะครับชื่อเต็มๆชื่องานอะไรครับพ่อครูครับองานงานการกลับมาของสิ่งเก่าเรียกว่างานโฮมอะไรครับชื่อเต็มๆครับงานรวมไปหมดละงานโฮมไทยวังงานออะไรอ่ะศกลึกคืนคืนสุยาบิดไปแค่สิ่งเก่าอหอ บัณทิติเก่าครับอ่าโฮมไทยวังและก็บันทิติ์เก่าครับแล้วก็อโศรำลึกห้าวันด้วยกันล้วนหมดเลยอ่าตั้งแต่วันที่หกไปจนถึงวันที่สิบครับอ่าครับก็อยู่ในช่วงเตรียมตัวกันนะครับถึงแล้ววันนี้วันที่สามแล้วสามแล้วนะครับช่วงนี้เราก็กลับมาสู่บทเรียนกันครับในช่วงเรียนอิสระตามสํานึกนะครับก็คงจะต้องตามประเด็นครท่านผู้ชมครับ ประเด็นที่พ่อกวดอธิบายมาอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดอย่างยาวนานนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับประเด็นที่สําคัญนะครับว่าการอธิบายของพ่อครูนั้นจะอธิอธิบายในระดับปรามัดนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเนี่ยนะครับควรจะต้องเตรียมตัวในมิติที่สําคัญนะครับในการทําความเข้าใจนะครับความเป็นอริยสัจ4ี่ไม่ว่าจะเป็นทุกขสมุทยัยนิโรธมรคนั้นแต่และความหมายแต่และคํานั้นเป็นเช่นไรนะครับ หลักปฏิกจสมุปบาทนั้นเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันมาความเป็นมาเป็นไปของเส้นสายต่างๆนะครับความเป็นขันห้านะครับที่มีทั้งรูปเวทนาสัญญาทังขานวิญญาณอายตนะทั้งหกและทั้งสิบสองนะครับรวมทั้งสภาวะต่างๆโดยการใช้ตัวสัญญานะครับจากองค์ประกอบของขันห้านั้นนะครับมาพิจารณาความเป็นสัตาวาสเก้านะครับองค์ธรรมใหญ่ๆเหล่านี้นี่แหละครับ เป็นสิ่งที่พ่อครูได้อัดถาทีบายเพราะว่าเวลาเราเรียนหรือเวลาเราศึกษากันทั่วไปเนี่ยเรามักจะพูดท่องท่องครับท่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องแต่แท้จริงแล้วกระบวนการทนั้นมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับที่พ่อครูอัดถาทีบายต่อเนื่องยาวนานเป็นความเชื่อมโยงกันถูกไหมครับพ่อครูครับถูกต้องทุกอย่างนี่นะอาตมาก็เคยพูดเคยอธิบายแล้วว่า ในทุกอย่างในมหาจกวานีมันไม่มีอะไรที่มันไม่เนื่องเกี่ยวกันไอ้ตายแกคนพบเรื่อง uh, ทฤษฎี ส, สมพัฒภาพชั้นเดียวกันทุกอย่างของศาสนาพุทธก็เช่นเดียวกันทุกอย่างเป็นอิทัปจยายตาหรือรทุกอย่างเป็นเรレーションเป็นเรื่องของการสัมพันธ์สัมผัสกันตลอด คำบังเพยที่บอกว่าเราบอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวอะไรนี่แหละมันมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดแต่ที่นี้พระเจ้าท่า น, ท, านท่านรู้จักต้นเหตุต้นมูลเขาอันแท้จริงที่เราจะไปตัดไปตัดตอนตรงไหนครียว่าตัดเหตุเนี่ยข้อสำคัญตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านชัดเจนตรงว่าตัด เหตุตัดตอนตรงไหนคเพราะตัดเหตุและไอตัวที่ต่อไปมันก็ดับอ่าครับถ้าไม่ตัดเหตุไปไปดับตัวนั้นครับมันมันไม่จบครับมันไม่จบพระพุทธเจ้านี่ดักคอครับแทนที่จะเอาตัวทุกคไปเอาเหตุของทุกครับดักคอมันก็เลยจบได้เหตุนิพพตตนนี่เป็นสุขความฌานฉลาดของพระพุทธเจ้าครับอ่า ซ, ซึ่งกระบวนการตรงนี้ครับพ่อครูครับซึ่งพ่อครูอ ธ, ธิบายเรื่องของนิโรธคือการดับนั่นเองมาอย่า ง, องอยาวนานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสภาวะการดับเนี่ยนะครับความดับของนิโรธเนี่ยนะครับซึ่งบางครั้งในในผู้ศึกษาพูดเนี่ยก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการการปล่อยวางนะครับการไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมัน่นนะครับการดับก็คือให้มันหัศูนย์ไปเป็นศูญญตาว่างเปล่า นะครับหรือเป็นอุเบกขาที่เฉยเฉยปล่อยวางปล่อยว่างไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งกระบวนการตรงเนี้เป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แหละเพื่อถ้าเกิดสภาวะตรงนี้เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อไปสู่ธงชัยแห่งพออาาระอรหันต์นั่นเองผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นนิโรธกดีหรือสภาวะสุญญาตาหรืออาการของการปล่อยวางนะครับหรือแม้แต่สภาวะที่เรียกว่าอนุตตะละอนุตตะละอนุตตยละลิยะ ที่พวกครูอธิบายมาช่วงนั้นทั้งหมดทั้งปวงนี่นี่คือความเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันใช่ไหมครับต่อความจะไปถึงปลายงตรงนั้นถ้าเข้าใจแล้วเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันแต่มันมีความเนื่องต่อกันทั้งนั้นคทีเดียวจะเอาตรงไหนเท่านั้นเองครั บ, ร บ, รบเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับจะทําให้ถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับจะได้ทําความเข้าใจว่าเอ๊ การอาธาิบายในประเด็นต่างๆนะครับแม้ว่าจะมีข้อโต้แยง้งหรือมีคำถามอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เข้ามาจากเอ s บ้างไอตรงในส่วนตรงนี้ผมต้องขอบพระคุณ SMS เอที่ที่เรียกว่าช่วยสร้างปัญญาจริงๆนะครับถามว่าทำไมก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ได้เห็นมิติของปัญญาเพิ่มขึ้นจากการอาธาิบายในเรื่องของนิโรธก็ ค, ค, คือความดับนั่นเองซึ่งกระบวนการเห็นความดับนั้นนะ่เป็น เป็นพูดงี้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในหลักของอาอยุสัตตสีก็คือเป็นการที่จะต้องเข้าไปตัดและกระบวนการนี้โลดนั้นจะเป็นอย่างไรในรายละเอียดที่ผ่านมาเราได้จัดท่องท่องท่องท่อแต่ไม่เคยพบผู้ใดอา ธ, าธิบายในความเป็นสภาวะหรือความเป็นไปตรงนี้ผมคิดว่าวันนี้พ่อครูคงเตรียมอา ธ, าธิบายตรงนี้เพิ่มเติมในความเป็นไปในคามเข้าใจ<อ>าครับพ่อครูครับ<อ>นะับศักดิ์การครับอ่าวันนี้ เตรียมงานตั้งแต่ 4.3 ครึ่งจนถึงขณะนี้ครับถึงขณะนี้นี่นะไม่ใช่ว่ามีเวลามากนะเนี่ยรีบเดินมาเนี่ยมาถึงนี่หอบเลยเผื่อ 2-3 นาทีได้พักนิดหน่อยครับอล่ะพูดไปมึงก็แมอวดมึงอวดตัวอวดจนออ่ก็อาตมาตอนนี้อาตมา รู้สึกว่ามันมีแรงบรรดาลใจอะไรที่มากมากที่อยากจะขยายละเอียดมันมีความละเอียดละออ่อนไอสิ่งที่อยากจะอธิบายเนี่ยมันมากตอนเนี้ยมครมันก็เลยเรียบเรียงยากเพราะมันมันทะลักทะเลออกมาครับออกมาเยอะมันก็เลยจับมันเรียบเรียงมาแต่ใจ ย, ยาก แค่อนข้างจะสับสนนิดหนึ่ง<ๆ>ก็พยายามจับมาเรียงกันเรื่อยใหม่ก็เลยแก้ไปแก้มาแต่แท้จริงแล้วก็ก็เนื้อหาแท้ แ, แต่ว่ามันจําเป็นที่จะต้องซ้ําไปซ้ามาหรือว่าย้อนไปย้อนมาหน่อยครับสับจจะที่มันลึกซึ้งมันละเอียดนี่มันใช้ภาษาซึ่งจริงๆแล้วภาษาเนี่ยมันคือเป็นของหยาบภาษาที่สื่อสภาวะนี่เป็นของหยาบครั สภาวะธรรมจริงๆนั้นเป็นของละเอียดรันละเอียดเกินกว่าจะเปรียบจะเทียบยากที่สุดเลยเปรียบทเทียบได้ยากมากแต่ก็ก็ต้องใช้ถึงยังไงเราก็ไม่มีทางเลือกเราก็ต้องใช้ภาษาภาษาก็มีภาษาเท่าที่ทาได้ใช้ภาษาไทยภาษาบาลีเป็นรากฐานมาบาลีเขามากกว่าไทยในภาษาทางธรรมะร บ, บาลีเขามาก แต่ภาษาแต่ที่ไม่ใช่ภาษาธรรมะนี่มันภาษาไทยอาจจะไม่น้อยเหมือนกันนะแต่ว่าแอบไปเป็นธรรมะเนี่ยมันไม่มีพยัญชนะที่บรรจัคพภาษาธรรมะแต่บาลีนี่มากละเอียดมากเลยนะอาตมาก็พยายามใช้บาลีเป็นหลักตามประษาอาตมานะซึ่งเหมือนก็อาตมาบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าอาตมาเองอาตมาสัมผัสบาลีแล้วเนี่ยมันมันพอเข้าใจ ซึ่งมันก็ยังไม่กระจ่างทีเดียวในสิ่งเก่าอาตมามีสิ่งเก่าแต่สิ่งเก่าที่มันพาอาตมาไปอยู่ขณะนี้นี่มันมันยังไม่เต็มมันยังไม่ออกมาเต็มอ่าในอาตมาก็ไม่ไปขุดคุยด้วยไม่พยายามที่จะใช้ใชประสิท ธ, ธิภาพแบบที่จะใช้อะไรอะไรที่จะใช้พลังทางจิต ไม่พยายามใช้พยายามที่จะใช้ของที่เป็นปกติสามัญที่จะพึงมีกันตอนนี้ก็ผู้ที่ตั้งใจฟังดีๆนะอาตมาว่าจะได้สภาวะหรือว่าได้ความรู้ที่ลึกละเอียดจริงๆคเพราะว่าอาตมารู้ว่าอาตมาทําอยู่เนี่ยละเอียดและมันจะละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นด้วยยังรู้ตัวว่ามันจะต้องทําให้ละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นครับและอาตมาก็ ได้ค้นคว้าพระเต้าปิดดกไปถึงขั้นหยิบอภิธรรมแต่ก่อนนี้ไม่ไม่ไม่ไมแตะนะอาตมาไม่กล้าแตะเพราะอภิธรรมเพราะภาษามันมันมันมัน ม, นมากกลับซับซอ้อนลึกซึ้งอาตมาก็เลยยังไม่แตะตอนนี้ก็มาถึงขั้นที่ว่าก็ ค, ค, ค่อยค่อยค่อยค่อยดึงออกมาบ้างออกมาบ้างมันก็จะมีมากขึ้นค่อยคอยไปซึ่งซึ่งไม่ง่ายแต่ว่าทำความเข้าใจไปตามขั้นตอน ได้อาตมาว่าเข้าใจได้มีเอสเอ็มเอของคุณสี 49, 47, เ่เจ็ดไ้สี่เก้าสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าบอกว่าคำอธิบายนี้อยากได้ ค, คำอธิบายนี้อยากได้ติดต่อได้ที่ไหนผมชอบมากละเอียดลุ่มลึกไม่ค่อยมีใครอธิบายแบบมากนักหากมีท่านครูนี่แหละ อยากจะไดนะ้นี่ก็เรียกอาตมาท่านครูก็ <c oughs> ไม่เป็นไรคนใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ก็มีเรียกถูกมั่งกิดมั่งไม่ไม่เหมือนกับหมูหมูพวกเท่าไรก็ไม่เป็นไ ร, ค, รคำอธิบายนี้ต้องรออีกหน่อยหนึ่งตุลาคมนี้จะออกมาเล่มหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เล่มที่กำลังอธิบายนะเล็บกำลังอธิบายอาจจะไปออกปีหน้า <c oughs> อ่าอ อ, ออกปีหน้าหรือไม่แน่อาจจะออไล่ไ ล, ไลกันก็ได้เพราะว่าไม่ไม่แน่เราเราอาจจะพิมพอ์อเล่มนั้นเสร็จเพราะว่าเล่มนี้ก็เขียนไปด้วยกันอ่ามันเป็นคู่เคียงกันมันคลายกันแต่ว่าอาจรมาได้อธิบายไปเขียนไว้เป็นสองสองแบบมันเลยเป็นคู่ไปเป็นคู่ ค, คู่อธิบายไปแต่ก็ปฏิจจสมบัติ ท, ทั้งคู่คนปะปฏิจสบัติทั้งคู่ อ่าอันนี้เอาอธิบายอยู่แต่อันทธิเขียนที่านั้นเองน่นะที่เขียนอยู่จะจะออก ต, ตุลาเนี่ยมีชื่อแล้วน่ชื่อว่ารู้คนขังสุกรู้คนขังสุกรับรู้คุกขังสัตว์อื่าชื่อชื่อเรื่องเล่มใหม่ที่กําลังเตรียมจะออกตุลาคมนี้ครับอ่า รู้คนขังสุข ร, รู้ทุกขังจับนะก็ขยายความนิดนึงก่อนก็ได้ว่าไอ้รู้คนขังสุขนี่ก็คือคำว่าคน ค, นะคำว่าคนนี่แหละที่เขาไม่รู้แล้วเขาก็ขังความสุขไว้โดยที่ไม่เข้าใจว่าสุขคืออะไรขังไว้ที่ตนเองนี่แหละ มันหลุดมันมันมันหายความสุขมันหลุดความสุขมันหายความสุขมันอ่อนมันเบามันจางโอ้เดือดร้อนเดือดร้อนจะต้องแสวงหาความสุขนะแสวงหาความสุขคําว่าความสุขคํานี้คือสุขคลิกกัครับหรือเต็มเต็มก็เรียกว่ากามสุขคลิกกัอืมครับสุขได้กามได้โลกธทรมเป็นความสุขที่เพ็ อลิกะเนี่ยอัลิกะที่ภาษาบาลีว่าอลิกะนี่แปลว่าความเท็จแปลว่าความไม่จริงครับนะมันเป็นความสุขปลอกๆและคนก็ไม่รู้อวิชชาไม่รู้อวิชชากขาขังมันไว้แล้วก็อยู่กับมันนึกว่ามันเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อ น, อนสนิทเพื่อนจะต้องอยู่ด้วยกันพรากกันไม่ได้อะไรต่ต่างๆนานาครับอ่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงว่าเอ้ามันเป็นความเท็จ มันเป็นเรื่องที่มันไม่ไม่ควรจะไปหลงเป็นหล ง, หลงมีหลงได้อะไรกันทีนี้คนเรานี่จะไปบอกให้เลิกอันนี้ทันทีเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันลงแดงอ <c oughs> บอกให้เลิกทันทีในี่ลงแดงแน่ตายไม่มีใครเอาหรอกเราต้องใช้จิตวิทยาที่สูงอุปนิจจชาช้จิตวิทยาที่สูงอ่าแล้วก็เปิดเผยอันนี้เราจำกระตั้งให้คนมาทดสอบพิสูจน์จนเห็นจริง ครับกลายเป็นคนหมดสุขหมดสุขหมดทุกข์อุทุกข์ขมสุขครับไม่สุขไม่ทุกข์หรือเราเรียกอีกภาษาหนึ่งว่าอุเบกขาเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์หรืออุเบกขานี่แหละครับเป็นเรื่องที่จะต้องรู้จักอารมณ์ที่มันสุขมันทุกข์รู้จักอารมณ์ที่มันอุเบกขาจริงๆธรรมดาลําลองเนี่ยมนุษย์กิก็มีอุเบกขาอยู่บ้างเฉยๆกลางๆครั้งที่ไม่สุขไม่ทุกข์ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ อาการไม่สุขไม่ทุกข์ ท, ทั้งๆที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสิ่งนั้นอยู่ตัง้งแต่ก่อนนี่สัมผัสแล้วมันสุขไม่สุขก็ทุกข์แต่บางครั้งบางคราวมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์เฉ ย, ยกๆกลางๆนั่นแหะเป็นภาวะที่จะต้องค่อยเรียนรู้ว่าอาการอย่างนั้นอาการสุขสงบ แต่มันสุขที่ไม่ใช่เด็ดไม่ได้เรียนรู้สุขโดยที่มันไม่ได้เจตนาสุขที่ไม่ได้ใช้ความรู้สร้างความสุขนี้ขึ้นมาครับอาจจะสร้างความสุขนี้ขึ้นขึ้นมาได้ก็ต้องดับเหตุที่มันไปหลงสุขหลงทุกข์ที่เราหลงเสพหลงแสวงหาเอามาบําเดอจนอยู่เนี่ยจนดับเหตุมันได้มั น, มนก็ลดลงลดล ง, ลงจนมันดับดับไปถึงขั้นอุเบกขาอืตัณฑ์อุทุกข์ขมสุข ก็เป็นฐานานิพพานหรือว่าเป็นฐานที่ที่เป็นฐานที่จะไปสู่ความสมบูรณ์สูงสุดถึงขั้นอุเบกขากลางกล า, างไม่สุขไม่ทุกเนี่ยขั้นสูงสุดภาษาบดีไม่เรีย่อุเบกขาทั้นสูงสุดที่สุขสูงสุ ด, สสดเรียกว่ามัชชิมาครับมัชชิมาก็แปลว่าความกลางๆงแปลว่ากลางกลางนี่แหละอาการกลาง ซึ่งมันเป็นความคำมมมัชมาเป็นความครบร้อยความกลางที่ครบที่ท่านเอามาเทศกันแรกเลยเนี่ยมันเป็นความกลางและมันก็สุดท้ายมันก็ไม่มีทั้งอะไรเลยไม่มีทั้งสุขทั้งทุกข์สุขที่มันเป็นสุขหลอกก็ไม่มีทุกข์ที่มันเป็นทุกข์ทรมานก็ไม่มีความทุกข์คือความทรมาน อความทุกข์นั้นก็เป็นสภาวะที่ภาษาบาลีเรียกว่าอัตตามันเป็นกิกลมัฏฐเป็นความทุกข์เป็นความลำบากเป็นความทรมานเป็นความอยากอยากแคร์แต่คนไม่ได้ศึกษาอารมณ์ไม่รู้ศึษ า, ส, าสภาวะพวกนี้พอมาศึกษาตามศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะพน้นทั้งสองอย่างพน้นทั้งสุขพน้นทั้งทุกข์ คนทั้งสิ่งที่โลกเขาถือว่าเป็นกามที่ควรควรควรได้ควรเป็นแม้แต่อัตตามันก็หนักแต่คนก็ยังหลงแบกมันเพราะงั้นพระเจ้าจะล้างทั้งสองอย่างเลยทั้งกรารทั้งอัตตาหมดเป็นมัชฌิมาเป็นกลางนะ่แล้วก็มีทางปฏิบัติให้เรียกว่าปฏิปทา <c oughs> ปฏิปทาความทางปฏิบัติก็คือมัดองค์แปด แทางปฏิบัติมัาอง 8. แปดอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ศาสนาพุทธเข้าใจสภาวะไม่เคยได้มีแต่พยัญชนะครับก็เลยเอาแต่พยัญชนะมาอธิบายกันไปจนมาทุกวันนี้แม้แต่คำว่ามัทิตมาปฏิปทาก็อธิบายกันแปลแล้วก็อธิบายกันเพียนไปครับมันก็เลยไม่เข้าไม่เข้าเรื่องเข้ารอยของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยเจออุเบกขาที่เป็นอุเบกขา ที่เป็นสภาวะไม่สุขไม่ทุกข์ดับสุขทุกข์ก ท, กที่เป็นโลกีออกเนี่ยครับอยากรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้อารมณ์รู้สัจจะความจริงในความรู้สึกนั้นๆเรียกว่าเวทนาเวทนาสุขเวทนาทุกข์เนี่ยเห็นอาการอย่างนั้นจริงๆเลยจนกระทั่งดับได้จริงยังเป็นผู้รู้ผู้รู้สภาวะในจิตจิตมันเป็นนามธรรมที่รู้ยากมาก มันไม่มีรูปร่างสีสันตัวตนอะไรเลยนอกจากมันไม่มีรูปร่างสีสันตัวตนแล้วมันก็มีมีความพิเศษที่มันหลอกคนได้เลยหลอกยังไงไอ้ที่ไม่มีตัวตนมันหลอกเป็นตัวตนไม่มีสีสันมันหลอกเป็นสีสันไม่มีรูปร่างมันหลอกเป็นรูปร่างครับทีนี้คนจะเข้าใจว่าเอนามธรรมหรือจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีตัวตนมันไม่มีสีสันอะไรหรอก ไม่ง่ายมาทำความเข้าใจแค่นี้ก็ยากแล้วยิ่งจะให้รู้จักโดยสัมมาทิฏฐิจริงๆให้รู้ว่าอิดจิญญาณหรือว่าอาการนามธรรมาเนี่ยเป็นอาการอย่างไรแล้วเราจะรู้จักมันด้วยลีลาต่างๆลีลาอย่างนี้เรียกว่าอาการสุขลีลาอย่างนี้เรียกว่าอาการทุกข์ต้องมาเรียนรู้ฝึกจริงๆเลยอ่าน เราจะเห็นมันมันเป็นอาการรูปครับอาการรูปนะอะรูปต่างๆนานาพวกนี้ที่ทางป ร, ปรมัตทางอธิธรรมเขาพยายามแยกเอาไว้ถึงยี่สิบแปดรูปอัตมา ก, ก็ยังไม่ได้ไปคนกว่าดีนักก็ค่อยๆค่อยๆแตกอภิธรรมค่อยๆแตกแลก้วกค่อยเอาภาษาเข้ามาใส่เราพูดภาษาง่ายๆไปก่อนก็ได้สภาวะได้ความรู้ของภาษาง่ายๆแล้วพอเอาภาษาหลักๆมาทีหลัง ก็ค่อยเอามาเติมตอนนี้ก็ว่าไปก่อนอาจจะพูดพาดพิงไปถึงภาษาหลักเข้าบ้างแต่มันยังไม่ตรงแน่มันอาจจะผิดพลดพลาดถูเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไปท่องไม่ได้ไปจําพยัญชนะพงน้ำมาเท่าไหร่น่าก็เลยก็ยังไม่ค่อยแม่นก็ต้องขออาภัยถ้าเผื่อว่าผู้ใดเห็นผิดพลาดอันนี้ต้องตง้องรับโดยตรงเพราะว่าอาตมาไม่เก่งอย่างนั้นจริงๆเนะอาทีนี้เรามาเข้าเรื่อง ที่เราได้ออธิบายกันมาอย่างจำจี้จำชัยบกบนเวียนไปซ้ำแซะขยายแล้วขยายอีกครับแล้วซ้ำอีกอยู่นี่หลายเที่ยวแล้วนี่ก็คือเรื่องนิโรดนะเรื่องนิโรธเรื่องดับครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของศาสน า, าพุทธคำว่าดับเนี่ยคือดับมันก็คือมันหมดมันดับมันตายมีวัยพฤษเยอะครับ มีคําแทนคําที่ใช้แทนก็นได้คําว่าดับคําว่าไม่มีคําว่าตายคําว่าศูนย์อะไรพวกนี้ต่างๆนานาครับอ่ามันมันมันมั น, ม, นมันเป็นคําแทนคําไว้พจน์นี่เยอะเพราะฉะนั้นคําว่าดับหรือนิโรธเนี่ยที่เป็นจริงๆก็เป็นฐานฐานจุดหมายปลายทางของทางปฏิบัติที่เราจะได้พอาศาสนามันมัน เพี้ยนเพียเลื่อนเปื้อนมามาถึงวันนี้แล้วนิโรธก็พูดกันแล้วก็ปฏิบัติเพื่อ น, นิโรธกันเหมือนกันเอาไปเอามาแล้วนิโรธมันก็ไม่ใช่นิโรธรมันไม่ได้นิโรธมันไปเป็นอย่างอื่นมันไม่เป็นนิโรธอันนั้นมันเป็นนิโรธที่ผิดเพี้ยนไปจากสัจธรถถมรมพระพุทธเจ้านิโรธพระพุทธเจ้านั้นท่านเรียกภาษาเต็มๆว่าสัญญาเวทยิตนิโรธ การเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธซึ่งคำนี้มีความหมายลึกซึ้งมากอาตมาก็เลยต้องเอามาจำจี้จำชัยอธิบายกันอยู่เนี่ยมันจะต้องชัดเจนจนกระทั่งสมบูรณ์ด้วยอ น, อนุตริยะสามที่จริงอนุตริยะนี่มีหลายอนุตริยะนะ อนุตริยะมีขยายความตั้งแต่หกมาก่อนดีกว่าครับค่อยๆ อ, อธิบายอันนี้ไปก่อนสักทีหนึ่งนําเป็นความรู้ใหม่เพิ่มเติมอนุตริยาหกมีทัศนานุตริยรบข้อที่หนึ่งจะซ้ำกันกับอนุตริยาสามอนุตริยาสามนั้นเป็นข้อหัวข้อหลักๆ ห, หนึ่งทัศนานุตริยาอนุตริยาสามสองปฏิปัทานอนุตริยรบ สามวิมุตตานุตริยานะซึ่งเป็นภาษาละทัศนนาทัศน์อนุตริยาทัศน์ทัศน์ก็แปลว่าเห็นการเห็นครับเป็นการเห็นอันยอดเยี่ยมปฏิปทานุตริยะก็คือการปฏิบัติปฏิปทาข้อปฏิบัติการปฏิบัติครับปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมปฏิบัติอันเยี่ยมการปฏิบัติอันเยี่ยมครับ ส่วนวิมุตตานุตริยานี่ยก็คือการหลุดพ้น<ป>การพ้นการหลุดพ้นอันเยี่ยมการหลุดพ้นอันเยี่ยมก็คือมีการเห็นสก่อนทัศนะแล้วก็มีปฏิปฏิปทาคือปฏิบัติปฏิบัติมีข้อปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินั้นครับแล้วก็ถึงหลุดพ้นวิมุตตินี่คืออนุตริยะสามทีนี้อนุตริยาที่จะแจกออกเป็นหก ในะธปิบดกเล่มสิบเอ็ดธรนะปิดกเล่มสิบเอ็ด 11, ขอ 30, นะ้อสี่ร้อยสามสิบอนุตริยะหกเนี่ยอยู่ในพระธรปิดกเล่มสิบเอ็ดข้อสี่ร้อยสามสิบหนึ่งขึ้นต้นเรทัศนานุตริยะนี่แหละสองสวรนานุตริยรบนะสวรนาเนี่ยแปลว่าฟังสวรณ์สวรนารสวรณ แต่วา่ารับสวัณนุตติยะการฟังครับอต่อมาก็ลาพานุตติยะครับลาพานุตติยะก็คือสิ่งที่ได้มาครับอเป็นลาบมันแหละลาพานุตติยะสิ่งที่ได้มาเนี่ยเป็นการได้ได้เป็นโชคของเราที่ได้แต่ได้อะไรได้อนุตติยะ ในลมทายกันด้วยอนุตตริยะนี่คือสิ่งที่ประเสริฐเลื่ยอดและไม่มีอะไรจะเหนือกว่าเหนือละคอนุตตริยะนี่คือสิ่งที่เหนือกว่าเหนือไม่มีอะไรเหนือกว่านี้อีกครสามลาพานุตตริยะสี่สิกขาสิกขาโนตตริยะครัาสิกขาก็การศึกษาศึกษาเราเรีย น, นหนึ่งเราเราเราเห็นนี่ได้สองเราต้องฟัง แล้วต้องมารู้แล้วมาเห็นมาเห็นว่าโอ้ศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้ก็ต้องมาติดตามฟังฟังฟังแล้วเราก็จะได้ลาภานุตริยาพอได้ไปก็พอสมควงก็ศึกษาได้หลักปริยัติปฏิบัติปฏิเวทได้ได้ก็ศึกษาพอศึกษาแล้วเรียกว่าได้ต่อจากนั้นก็คือน่าเป็นเป็นผลเป็นการตอบแทนเป็นการรับใช้ เรียกว่าปาริจริยาอ่าปาริจริยาปาริปาริก็ขยายมาจากปารินะั่นรอบๆไปและครับจริยาก็ความประพฤตินี่แหละอ่าท่านแปลว่าการรับใช้าด้วยการบริการครับอเป็นการรับใช้สิ่งที่มันเป็นความประเสริฐนี่อนุตตริยานี่เป็นความประเสริฐยอดยิ่ง พอเราศึกษาเราก็ได้ได้ข้อที่ห้านี่เราก็รับใช้คข้อที่หกอนุสตานุตริยะอนุสต่าถ้าใครเคยเข้าใจอนุสติอนุสติอนุสตาก็อันเดียวกันนะน ะ, นะก็คือการระลึกการระลึกอันเยี่ยมอนุสตานุตริยะกับการระลึกอันเยี่ยมนะ ก็คือผู้ที่ได้แล้วก็จะเอาระลึกเอามาใช้เอามาเป็นประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านได้จบประโยชน์ตนแล้วก็มีจะเอาไปทําเป็นประโยชน์ท่านเลยนะทำเป็นประโยชน์ท่นนาท น, ปนไปทีเดียวนี่เป็นเป็นอนุตริยะทั้งหกนะการเห็นที่ยอดเยี่ยมการฟังอันยอดเยี่ยมครับการได้นะได้ที่ยอดเยี่ยมการศึกษาอันยอดเยี่ยม การบำเรอหรือการรับใช้หรือการบริการอันยอดเยี่ยมปาริจริยานุตตริยะและก็การระลึกอันยอดเยี่ยมนี่เป็นอนุตติยาหกนะนทีนี้เรามาพูดถึงอนันตขยายความของการศึกษาด้วยการทั้งหมดเลยท่านขยายเป็นหมาพูดถึงอนุตติยะสามทัศนานุตติยะเราจะต้องแสดง การรู้การเห็นเราจะต้องพยายามจะรู้จะเห็นใ้ได้ก่อนแล้วก็ได้ข้อปฏิบัติปทาปฏิปทานนุตตริยะน่ได้ข้อปฏิบัติแล้วก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติจนกระทั่งถึงวิมุตมม ต, ตานุตริยะน่เป็นการหลุดพ้นอันเยี่ยมผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีความเข้าใจมีความคิดมีความคิดหรือความรู้ที่ ที่ถูกต้องเป็นแบบพุทธก็จะเข้าใจความเบื้องต้นทำกลางมันปลายแม้แต่เป็นบัญญัติเป็นปริยัติไปก่อนว่าศีลคืออย่างนี้สมาธิคืออย่างนี้ชานคืออย่าง น, น, าา น, ออางนี้นิโรธคืออย่างนี้ก็จะเข้าใจาพอเข้าใจเป็นภาษาเราก็ไปปฏิบัติศีล น, นี่แหละพาไปถึงชานพาไปถึงสมาธิพาไปถึงนิโรธศีล น, นี่แหละ และไอทเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นนิโรธก็คือจิตจิตเป็นฌานนี่ไม่ใช่แขนเป็นมือเป็นหัวเป็นขาเป็นไม่นใช่ครับขาแขนเนื้อตัวหนังกระดูกอะไรเป็นฌานเป็นสมาธิน่ะเป็นนิโรธอะไรไม่ได้หรอกเป็นได้ที่จิตจิตเราเป็นนิโรธจิตนิโรธจิตเป็นสมาธิจิตเป็นฌานอ่า เราก็มาปฏิบัติเพราะงั้นเรามีความรู้มีความคิดมีความคิดความรู้แบบพุทธก็จะเข้าใจจะเห็นว่าเออเราจุดหมายเราจะต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นนิโรธให้ได้จิตเป็นฌานฌานนี่คือภาคปฏิบัติทําลายตัวเหตุฌานเนี่ยปฏิบัติไปปฏิบัติทําลายกําจัดตัวเหตุเหตุที่มันพาให้เราไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์มันไม่นิโรดนี่แหละ ปฏิบัติกำจัดไปได้เรื่อย ๆ, ๆจนกำจัดได้าชาเนี่จริงๆตัวคำว่าชาจริงๆนนรากศัพท์แทมแปลว่าไฟไฟกองใหญ่ไฟพิเศษเอามาสำหรับเป็นพลังงานนะเป็นพลังงานทางอุณหทัศน์เป็นอุณหทัศเป็นพลังงานที่ไปเผากิเลสกิเลสก็เป็นไฟ ราคะก็เป็นไฟโทสะก็เป็นไฟราคะขีโทสะขีโมหะขีเนี่ยเป็นพลังงานอุณาหาัตถ์เหมือนกันแต่มันสู้ไฟฌานไม่ได้ถ้าผู้ได้ทาฌานสําเร็จปฏิบัติให้เป็นฌานสําเร็จก็สร้างไฟสร้างพลังงานจิตของเราให้มีพลังอุณาหาัตถ์ที่มีพลังเหนือกว่า ไฟหรืออุณหาาธาตุของราคะโทสะโมหะของเรามันก็ฆ่ากันไปได้ทำลายกันไปได้ครับออทำลายกันไปได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องมุกเรื่องใชภาษาเล่นลิ้นนะครับเรื่องจริงสภาวะธรรมเป็นจริงอย่างนั้นเพวะะันสมาธิขอไฟไม่ใช่อะไรอธิจิตคําว่าอธิจิตสินอธิศินสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาศิกขาอธิวิมุตติสิกาขาพวกเนี้ย พอมันปฏิบัติศึกษาไปแล้วปฏิบัติตามศีลตามหลักตามข้อหลักเกณฑ์ของแต่ละระดับศีนี่คือข้อกำหนดของคนแต่ละฐานะแต่ละระดับจะมีระดับศีนปฏิบัติตระกรตะกรามไม่ได้หรอกยิ่งพวกเรา ร, รุ่นนี้ยุคนี้เลยนะมันยุคไม่ไม่เจริญมันไม่เหมือนยุคพระพุทธเจ้าที่มีพระพุธทธเจ้าก็ยังดีก็ยังเป็นคนมีบา ร, รมีพวกเราเนี่มี ไม่มีบารมีอะไรหรอกบารมีก็ไม่มีบารักก็ไม่มีไม่มีบารมีบารเมืออะไรบารมีน้อยจะว่าไม่มีเลยปะเดี๋ยวจะหาว่ามันไม่มีที่หวังบารมีมันน้อยแต่เราก็ต้องมาเพิ่มบารมีเพิ่มบารมีความรู้กับความคิดแบบพุทธถ้าหมายถึงนิโรธ เป็นนิโรธที่เห็นแจ้งแจ้งแจ้งชัดๆเรียกว่าสัจจิกรณะเอสัจิสัจจิแปลว่าแจ้งแปลว่าใสแปลว่าเห็นสว่างไม่ใช่มืดมันตรงกันข้ามกับกินนาหะนะแจ้งเมื่อบรรลุแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าบรรลุอย่างมีจักรสุมีปัญญามีญาณมีวิชา มีแสงสว่างนาเนี่ยจะมาเอามาครบครบของพระพุทธเจ้าเลยนาการบรรลุนิโรธก็ตามบรรลุมีจักษุมีตาเห็นใช้นามใช้รูปธรรมว่าจักษุนามธรทำนักกินรวมถึงความเป็นปัญญาเป็นญาณเป็นวิชาและเป็นวัตถุก็ถือว่าเป็นแสงสว่างเป็นจักษุเป็นแสงสว่างไม่ใช่ในที่มืดไม่ใช่ใน ม, มีดวงตา นี่เป็นความรู้รู้จักนิโรดนิโรดอย่างมีอ่าปริตอท่านมีภาษาบาลีอันหนึ่งอัตมาเข้าใจอย่างอัตมานะแต่คนอื่นไม่เข้าใจอย่างอัตมาคืออจักขุอะไรอปรินิพุทโธตจิจักขุมาปรินิพุทโธติครับจักขุมาก็คือตาเนี่แหละปรินิพุทโธติ แปลว่านิพานรอบนิพานจะชัดอย่างมีดวงตามีตาเห็นเลยนิพานก็เป็นคําไวโพดกันกับนิโรธคำดับทีนี้คําว่าความดับคือความไม่มีมันหายมันตายมันท่านก็ไปเข้าใจว่าไม่มีชนิดที่ผิดก็เลยไปเอาความไม่มีความรู้สึกไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกไม่มีการกําหนดรู้ไม่มีความ ถ้าไม่ให้จิตมันทำอะไรดับไปเลยก็กลายเป็นลักษณะอสัญยีสัตว์เป็นสัตว์ที่ไม่มีความรู้สึกไม่มีความกำหนดรู้ไม่มีอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยดับมืดเลยนะับปึดตัวเองไม่มีไม่มีความรับรู้อะไรในตัวเองไม่มีทา่ารู้อะไรมาทำงานนั่นเป็นวิธีการที่หลงผิดกันว่าเป็นนิโรดนิโรดของพุทธ ตรงผี่เราเป็นนิโรธของพูดเลยนะอ่าซึ่งมันผิดเพราะนิโรธที่ไม่เห็นไม่รู้อะไรบรรลุความมืดความดําความมืดความดํำในภาษากินนะภาษาบาลีว่ากินนะฮะครัแตมากําลังเอาภาษาเอาคําคำํำบัญญัติ บ, บาลีอะไรต่างๆพวกนี้มาเพื่อที่จะใช้ประกอบใช้ในการอธิบายที่พระพุทธเจ้าตัสไว้มันมันดีดๆก็ ค, อคออไไ่อยๆไล่ไปนะเนี่ยแตมา กำลังจะอธิบายในหน้ายีา่สิบหกนาหน้านี้ยี่สิบหกขึ้นกำลังพูดถึงความคิดความรู้เนี่ยแต่กําลังจะไปที่หน้ายี่เจ็ดพราะงั้นภาวะที่เรียกวันนี้โรจนนี่มันจึงมีทั้งแบบพุทธและมีทั้งแบบไม่ใช่พุทธอยู่ในชาวพุทธเองเนี่แหละไปมีแบบไม่ใช่พุทธซะเยอะอัจฉรกกิยะเขาตะคอภัยอย่างยิ่งเลยที่ไปไปว่า เธออาตมามันไม่ไม่ไม่รู้จะไปหลบหลบเป่งเรียกพูดตระละไปแล้วอะไรมากมายมันก็ไม่ไม่อยากจะพูดอะไรก็พูดเป่งตรงๆนี่ยังไงก็ต้องขออภัยเอาครับก็ก็เลยไปเข้าใจเอาในโรคผิดเพี้ยนมานานละอาตมายืนยันด้วยความมั่นใจจริงใจไม่มีการไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรมันหลอกมันลวงไม่มีอะไรจริงมีแต่ความปรัชนาดีถ้าจะผิดจริงๆเนี่ยอาตมาผิดทั้งยวงเลยนะผิดทั้งกระบวนเลยนะ ผิดหมดเขาเลยนะอืมถ้าอตาตมาจะเป็นผู้ผิดถ้าแต่อตาตมามั่นใจว่าอตาตมาไม่ได้ผิดครับที่อตาตมาว่ามั่นใจว่าอตาตมาไม่ได้ผิดก็เพราะว่าอตาตมานําความจริงโดยภาษาความรู้นี่ก็ตามเป็นบรญญัติเป็นปริยัตินี่ก็ตามครับเอามาอธิบายให้พวกเราฟังพวกเราก็ฟังฟังแล้วก็ศึกษาเป็นอนุตตรีไปตามลําดับเมื่อกี้เนี่ยนะ ฟังแล้วก็ศึกษาศึกษาแล้วก็เออได้ได้ได้เป็นราบได้ได้เป็นล า, นลาภะก็ได้มาศึกษาแล้วก็ได้มาได้มาแล้วก็เออก็แม่เอามาเอามาใช้อะนี้ครับอ่ปาปริจริยานุตริยาเอามาใช้เอามาอะไรอะไรก็ไปเลยอ่าเสร็จแล้วก็แม่ก็ระลึกถึงคุณบุญคุณกลองาศาสนานแล้วก็มันเห็นความจริงอาตมาก็เห็นความความจริงว่า คนปฏิบัติตามที่อาตมาบรรยายเนี่ยเออมันลดมันละมันหลุดมันพ้นหรือมันดับเพราะงะั้นคำว่าดับใครจะเห็นของใครต้องเห็นของตนเองนะอาตมาจะพยายามอธิบายลูลงแยกแยะวิจัยนิโรธสองอย่างหรือนิโรธสองขั้วนี่กันละเอียดดูอีกทีหนึ่งจะต้องย้ํากันอีกนานอยู่หรอกแต่ก็ลองอีกนะเริ่มต้นตั้งแต่ของไม่ใช่พุทธก่อน ครับโทษของไม่เจพุทธนี่จะเป็นของที่มีกันอยู่เยอะก็เอามาพูดก่อนเพราะว่ามันจะมีแล้วโดนมันจะโดนครับเพรต้องขออภัยไว้ก่อนนะโดนแล้วก็ยังไงยังไงก็อภัยกันนะครับโดนแล้วก็อย่าเพิ่งขึ้นฮัทอย่าซื้อสาอย่าเพิ่งโกรธฟัดโกรธเบี่ยงอะไรครับอ่านิโรธที่ไม่เจพุทธเนี่ยก็เรียก ว, ว่ายังมิชัดทิฐิและยังมิอวิชาอยู่ พลรธรรมที่ได้น่ะหน้ายีา่สิบเจ็ดนะพลธรรมที่ได้นี่มักจะหมายถึงความมีนะผล ร, ร, รที่ได้นี่มักจะหมายถึงความมีคําว่าความมีในภาษาบาลีเรียว่าโหติเป็นภาวะอย่างหนึง่งมีบาลีเรียกว่าโหติสัตว์โอหังฮีปต่อเต่าสะละีนี่แหละ ความมีอย่างหนึง่งแต่มีก็ตามยังไม่ถูกต้องตามเป็นจริงมีมีสิ่งที่ยังไม่ต้องตามเป็นจริงเพราะว่าผลธรรมที่ได้นั้นยังไม่แค่ผลธรรมที่เข้าขัน้นความไม่มีในโลกศาสนาพุทธจะไปสู่ความไม่มีครับบ อ, อนะโโหตติิภาษาะนะีนะเพราะงั้นในผลที่จะได้เนี่ย ผู้ใดปฏิบัติแล้วได้ผลถ้าเรียกว่าอัตถิถ้าไม่ได้ผลท <ste ann is> ้าเรียกว่านัตถินัตถิเพราะงั้นถ้าผู้ใดปฏิบัติไปแล้วก็เริ่มจนเป็นผู้ได้ได้ผลถ้าได้ผล <ste ann is> ก็เรียกว่าได้ได้ไปเรื่อยๆเป็นไดผลในโลกโลเกอัตถิตาได้ผลไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ผลก็ ค, คือนัตถิน่ะโลเกนัตถิตาน่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ ปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลธรรมมันไม่ใช่ผลธรรมอ่าที่ไปสู่สภาวะความไม่มีในโลกพอไม่มีในโลกนั้นจริงๆเนี่ยพยัญชนะก็ไม่มีอ่าถ้ามีก็มันยังมีธรรภาษาบาดีก็ว่าโลกสมุทัยมีโลกที่มีเหตุอยู่สมุทยัยถ้าพอโลกไม่มีก็คือโลกนิโรธ โลกดับและวนิโรธแล้วไม่มีแล้วก็จะไปสู่โลกนิโรธกันอโลกไม่มีนะเพราะงั้นผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมแล้วหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็ต้องไม่มีแน่นอนในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่ควรจะมีถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมยังไม่ถูกต้องก็ไม่มีสิ่งที่ควรจะมีเหมือนกันถ้าปฏิบัติถูกต้องก็จะมีนะเพราะงั้นผู้ที่ตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงผู้ที่ยังไม่มีครับ <Bing ham> พูดถึงผู้ไม่ใช็พุทธหรือผิดเพี้ยนไปจากพุทธ แม่จะเป็นชาวพุทธโอ้โหเล่นหนะักแม่จะเป็นชาวพุทธก็ก็ไม่มีได้นะเพราะว่ามันไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนผู้ที่ปฏิบัติแล้วความไม่มีในโลกเขาจะสุดท้ายจริงๆแล้วก็จะเกิดถึงความไม่มีในโลกเนี้ยนะโหตินี่ไปตลอดนะสำเร็จเป็นภาวะที่ได้นะ เพราะฉะภาวะภ า, าวะของนิโรธเขาจะได้อย่างถูกต้องตรงไม่คลาดเคลื่อนแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงผู้ที่ยังผิดยังไม่ใช่แบบพูธก็จะคลาดเคลื่อนคือผิดไปจากภาวะอริยสัจอริยสัจผิดไปจากอริยสัจที่นะเพราะฉะั้นจะเป็นนิโรธที่ชื่อว่านิโรธเรียกนิโรธก็ตามก็ผิดไปจากนิโรธอริยสัจทุกอริยสัจ ทุกสมุทยัยอริยสัจทุกนิโรธอริยสัจก็ปิดไปจากนิโรธอริยสัจนิโรธที่ได้จึงไม่ใช่นิโรธอริยสัจเพราะสัญญาอย่างวิประลาศัพท์จำนวนภาษาวิจาการนิดหนึ่งสัญญาอย่างมิประลาที่ไม่ได้เพราะสัญญาอย่างมิประลาสาคัญนะคําว่าสัญญาวิปรลาในหมายความว่าสัญญาคือเครื่องอาการของความสามารถของคนเรานี่ มีสัญญาเครื่องกำหนดหมายจิตวิญญาณเรานี่แหละเป็นตัวทำงานกำหนดหมายกำหนดหมายรู้วนั้นกำหนดหมายเป็นอันนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นการกำหนดหมายที่ล ค, ค, ญญญญคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงเรียกว่าสัญญาวิปลาสนะเมื่อวิปลาสสัญญาก็กำหนดหมายคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงที่เป็นความจริงขั้นอริยสัจหรือขั้นปรมาตยสัจ ปรมัจจะคือสิ่งที่เป็นจริงอันประเสริฐสุดะความเป็นจริงอันประเสริฐสุดสัญญาที่มิจฉาทิฏฐิสัญญาที่มิจฉ า, าทิฏฐิจึงเป็นคนละอย่างจากอริยสัจเพราะเป็นสัญญาวิปลาสสัญญาที่มิจฉาทิฏฐิจะเป็นคนละอย่างจากอริยสัจเพราะว่าจะกําหนดหมายรู้เอาตามทิฏฐิคงตนทิฏฐิคงตนเนี่ย เมื่อมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็กําหนดหมายไม่ตรงไม่ถูกมันก็เพี้ยนไปมันก็จะกําหนดหมายไปตามเรื่องของตนภาษาบาลีทั้นเรียกว่าการกําหนดหมายที่ไปตามทิฏฐิของตนไปต่างๆนานาของผู้ที่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยสัญญาที่มิจฉาทิฐิจะกําหนดหมายไปต่างๆนานาถ้าเรียกว่านานัตะสัญญโนสัญญาเนี่ยเองนานัตตะก็คือนานะในแปลว่าต่างๆอัตตานานัตตะ สภาวะอัตตาหรืสภาวะสิ่งที่เป็นอันนั้นอันนั้นอยู่นั่นแหละมันไปต่างๆ น, นานาก็ได้ผลไปตามทิิที่ทิศผิดทิศที่ทิผิดของตนน่ะผิดไปจากอริ ย, รยสัจสี่ตอนนี้เราก็ต้องตั้งสมุดฐานอยู่ว่าไม่ใช่แบบพุทธนะแบบผิดนะ <th am. S 1> จําไว้นะว่าจะต้องตั้งสมุดฐานไว้ตรงนี้เพราะได้ผลไปตามทิศที่ผิดไปจากอริยสัจสี <ry> ่ก็จะได้ภาวะนั้นๆตามตสมรรถนะของแต่ละคนนะ คนแต่ละคนมีทิฏฐิอย่างไรมีอะไรอย่างไรก็จะได้ไปตามสมัตินาของตนครับนะทีนี้ภาษาบาลีคําว่ากายกายที่ได้ทิฏฐิขอุตนจะมีกายมีองค์ประชุมของสภาวะครับประกายองค์ประชุมของสภาวะสภา ว, าสภาวะรูปนามสภาวะรูปธรรมก็ดีนามธรรมาก็ดีรวมกันเนี่ยเป็นกายองค์ประชุม กายที่ได้เขาจะเป็นองค์ประชุมของรูปของนามที่แตกต่างกันไปตามสัญญาตามการกำหนดหมายเครื่องกำํำหนดหมายรูของเราเนี่ยที่มีภูมิรู้อย่างนั้นอย่างนี้ของแต่ละคนกำนํำหนดหมายเอาต้องกำหนดหมายไปที่เมื่อสร้างหรือว่าเมื่อสังขารให้ได้ก็ย่อมได้กายตามความสามารถต่างๆได้องค์ประชุมพอสังขารไปซทำไป คิดอย่างไรความรู้อย่างไรก็กําหนดอย่างนั้นใช่ไหาแต่นี้เราอย่าลืมีหน้าว่ากำลังตั้งสมุดฐานว่ายังไม่ใช่แบบพุทธทเขาเขาจะได้ของเขาไปก็จ ะ, จะได้ไปถ้ามันความรู้ต่างๆกันมันก็ได้ไปต่างๆ น, นานาเรื่อวันนานาตักายโยก็ได้องค์ประชุมของธรรมะรัฐสภาว่าทมเป็นสภาว่าไปต่างๆนานตาตักายโยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะ รู้จักคำว่ากายหรือแม้แต่คำว่าสัญญาตัวที่เป็นตัวทำหน้าที่กำหนดหมายรู้เนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้ว่าสัญญาเรามันมีสมรรถนะพอไหมมีความเห็นมีความรู้มีภูมิถูกตรงดีไหมสมาธิไหมทำไมสมาธิสัญญามันก็ต้องทำตามทิศิเรานั่นแหละแล้วเราก็จะไปทำแล้วเราก็จะได้องค์รวมได้องค์ประชุมมาเป็นของเรา พรุธเจ้าตัดเอาไว้ในประไตรปิดกเร่องสิบเอ็ดนะเรื่องสตาวาสเก้าหรือวิญญาณทิฏิเจ็ดนะเป็นหลักธรรมที่ลึกซึ้งนะเป็นหลักธรรมที่ลึกซึ้งถ้าไม่มีพื้นฐานไม่มีสภาวะความรู้นี่อ่านไปกับไม่รู้เรื่องหรอกอ่านภาษาไทยได้มันไม่ภาษาไทยไม่ไม่ยากอะไรง่ายนิดเดียวภาษาไทยสันเขียนเอาไว้ก็สันส้นๆนะ อังสตาวาข้อที่หนึ่งหรือวิญญาณทิฏฐิข้อที่หนึ่งบุคคลผู้มีกายต่างมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันแค่นี้นะความรู้ในเรื่องของวิญญาณทิฏฐิเจ็ดหรือสตาวาเก้า 9, ข้อหนึ่งผู้มีกายเห็นกายต่างกันนาน า, นาตากายโย สัญญาต่างกันน่ะนาน า, นาตัดซัมยนโนน่ะแต่ถ้าเขายกตัวอย่างไว้เช่นเห็นอะไรเห็นมนุษย์เห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกอันนี้เป็นต้นคำว่ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีสัตว์นรกก็ดีมันหมายถึงจิตวิญญาณนะคำว่ากายคำนี้ก็กายของจิตวิญญาณ แต่ไม่ได้ทิ้งดินน้ำไฟลมร่างกายไม่ได้ทิ้งเป็นเหตุปัจจัยเชื่อมโยงกันอยู่ต่อเนื่องกันอยู่แต่ตัวที่จะศึกษานั้นไม่ใช่ที่ร่างกายนี้เป็นตัวตั้งไม่ใช่ตัวตั้งอยู่ที่ตัวตั้งอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์ไม่ได้เอาร่างกายคำว่าเทวดาก็ไม่ได้เอารูปร่างร่างกายสัตรรว์นรกวิิบาตต่างๆก็ไม่ไดเอาร่างกาย นะไม่เอาที่ร่างกายเอาที่ความเป็นจิตนะความเป็นจิตนะเพื่อความมั่นใจจะนี่พอดีรีอินเสิร์ตมาตามมันนี้ได้ก็เอามาให้อ่านเลยก็ได้สัตว์บางพวกไม่มีสัญญาไม่สเวยอารมณ์ไม่ใช่ไม่มีสัญญาทาไมมีเปรียบเบียงหรือเปล่า มีกายต่างกันสัตว์บางพวกกายต่างกันสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์เทพบางเหล่าพวกวินิปาตษิกะวินิปาตษิกะบางเหล่าเนี่ยอันนี้เป็นคำของท่านไปแปลงคําแล้วมันก็แปลงแปลงแล้วมันเดียวไปไปเรื่องมันมันจะเพี้ยนสัตว์บางพวกเนี่ยเห็นไหมหมายถึงสัตว์ที่เป็นจิตวิญญาณเป็นสัตว์โอปปาทิกะสัตว์โอปปาติกะเป็นสัตว์ ทางวิจา ก, การของพุทธเนี่ยแปล ว, ว่าสัพท์ทางเจิตอิน ญ, ญาไม่ใช่สัพท์ทางเนื้อหนังมังสาร่างกายรูปร่างจิติญญาณไม่มีรูปร่างอัศรีรังจิตมโนโทั้งไม่มีรูปร่างแล้วก็เห็นได้ผู้ที่ศึกษาแล้วจะมีความสามารถเรียกว่ามีโสตทิปหรือมีตาที่มีวิชามีความรู้ยิง่งที่สามารถเข้าไปอ่านอาการลิงคนิมิตอุเทศ อ่านาการของจิตวิญญาณเนี่ยอ่านาคารว่าเป็นมนุษย์อาการอย่างไรอาการเป็นเทวดาเป็นเทพอาการอย่างไรอาการที่เป็นสัตว์นรกวิบัติวินิปาติกาเป็นอย่างไรนะจะอ่านออกอา่านทั้งทั้งที่มันไม่มีรูปร่างสีสันตัวตนเลยนี่แหละอ่านาการแล้วก็อ่านเครื่องหมายเราต้องจัดทําเครื่องหมายของเราเอง ซึ่งอาตมาก็พูดอธิบายมามากมานอาการเป็นสุขเป็นต้นอาการสุขความรู้สึกสุขต่างกับความรู้สึกทุกข์ลิงค์ในมาคำ ว, ว่าแตกต่างกันคนละอย่างแตกต่างกันลิงคะอาการลิงคะนิมิตอุเทศก็คือคอํา อ, า, อ า, มม า, า, าอธิบายที่อาตมาเอาหข้อธรรมอาบูจ้ามอธิบายเร่องนี้อเทศพับฟังอุทเทศไปแล้วก็ปฏิบัติอ่านอาการ ทำเครื่องหมายอาการทางนามมาทำเอาเองขอใครก็ต้องฉลาดได้ผู้มียานปัญญาสามารถกาหนดเครื่องหมายอ่านของตัวเองออกนี่แหละเป็นผู้เกิดยานเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ยังยึดติดเทวนิยมยึดติดภาวะที่เป็นรูปร่างตัวตนซึ่งยึดมาก่อนทั้งนั้นอาตมาก็เคยหลงยึดมาก่อนมีตัวมีตนมีรูปมีร่างจิตวิญญามีรูปมีร่าง มนุษย์ก็เอาร่างกายเลยเทวดาก็แยกเป็นอีกอย่างนึงเลยเห็นเทวด า, าก็เป็นรูปร่างเทวดาไปเลยเทวดาเขาก็แลแต่จะว่ากันไปฝรั่งก็เทวดาแบบฝรั่งจีนแบบจีนนะไทยแบบไทยนะทางแม้แต่ไทยก็ยังต่างกันภาคเอเชียก็ต่างกันไปบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นรูปเทวดาก็เป็นอย่างนั้น มีรูปเลยนะมีมีร่างกายมีสรีระเลยเห็นสัตว์นรกก็เห็นไปเลยถ้าเข้าใจสมาธิินะจะเป็นนิมิตแทนรูปร่างนะันมันเป็นของตำลองมันเป็นรูปร่างมนโนมยอัตตาเรียกว่าจิตสำเร็จด้วยจิตเป็นอัตตาตัววนรูปร่างที่มันสำเร็จด้วยจิตจิตมันสามารถเห็นเป็นรูปร่างแทนไปใช้แทนได้แต่าไปหลงผิดไว้นะั่เป็นของจริงไม่ใช่ของจริง แต่จิตวิญญาณเป็นรูปร่างไม่มีอันนี้แหละมันคานแย่งกับท่านทั้งหลายที่ศึกษากันมาท่านตาทิพย์ท่านก็เห็นรูปร่างซึ่งก็เห็นอาตมาก็เห็นได้อาตมานีนเล่นไสยศาสตร์มาตั้งแต่ยังไม่ส ม, มาธิทิ่นี่อาตมาครับมีรูปร่างเยอะแยะไปอาตมาสู้กับสัตว์นรกเทวดาพรอพรมอะไรเล่นมาหนักจริงๆแปลงกายได้หลายอย่างแต่คนเขาไม่ไม่เชื่อคนที่เขาไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะ่ะ แต่คนที่พอเข้าใจพอเชื่อก็มีทั้งคนที่มียืนยันเห็นอาตมามาแต่ตอนเล่นไสยศาสตร์อเป็นอาจารย์ทางไสยศาสตร์เขาก็จะเข้าใจเขาก็จะรู้ไม่ใช่อาตมาไม่รู้อาตมาไม่ยังพูดเดาเๆนั่นๆอะไรไปได้เป็นปฏิเสธสิ่งไม่เขาท่าครับอาสมาที่คุณจะมีนิมิตอยู่ก็ได้คุณก็สิ่งแทนไงเมื่อไม่มีรูปพระพุทธรูปเนี่ยแทนพระพุทธเจ้าค แต่ต่างไปเยอะแยะแล้วก็เห็นติดใจเลยพระพุธรูปองค์ไหนเราก็กราบได้ทุกทุกองอ่ะใช่ไหมคือเราก็เข้าใจแล้วมันมันไม่มีปัญหาแต่เราก็รู้ว่ารูปที่มันไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นของแทนแล้วเราก็สมาธิถี่จริงๆด้วยว่าครับรูปว่าใครรู้ว่าทุกที่เจอเราจะเคารพนับถือบูชาไม่ใช่พูดที่จะมีฤทธิ์มีเดชอ่าเป็นหินมั่งเป็นทองมั่งเป็นหยกมั่งเป็นตกโลหะมั่งเป็นดินเป็นไม้อะไรก็มีเยอะแยะ จะรูปต่างๆนะแล้วก็เป็นสิ่งแทนที่เราเข้าใจด้วยปัญญาและของพระเจ้าท่านก็ไม่เห้นถือไม่ไม่จะไม่เห็นถือเราท่า ก, กับมันไม่มีจริงหรอกนะมันเป็นอุปทานซึ่งยากที่อาตมาจะอธิบายอาตมากับพยาวอธิบายอยู่อุปทานของคนนี่มันจิตมันเหมือนกับกระจกเงามันซ้อนไปกระทบแล้วมันสะท้อนมามันเหมือนเป็นจริงอะ่ะครับมันเหมือนจริงมันเหมือนกับลิงสองกระจกอะ่ะครับ ลิงสองกระจกมันก็งงมันเอ๊ะทำไมมันไปดูข้างหลังมันก็ไม่เห็นมาดูข้างหน้ามันก็มีทํามันหลอกมันก็เอ๊ะงงลิงสองกระจกแรับมันก็บม่จริงนะนะแต่ว่ามันไม่จริงนะแต่เอาเถอะอ๋อเดี๋ยวมันจะยาวยุดยยากไปอ่าแต่นี้พยายามอธิบายเพื่อที่จะให้มันละเอียดไงับเอียดละเอียดจะได้เข้าใจดีพอเราเข้าใจสภาวะว่ า, วา จิตวิญญาเนี่ยอ น, นิทัศนังอานันตังสัพพตโอพังหรือว่าทุรังคมังอัศรังเอกเจรังขัาสยังอะไรพวกเนี้ยนะจิตวิญญาณมันไปได้ไกลนะไปโดยไม่มีที่ไกลกว่าแสงอี่เพราะแสงยังทะลุทะลวงไปไม่ได้เท่าจิตวิญญาเนี่ยมันละเอียดกว่ามันทะลุทะลวงได้ยิ่งกว่าแสงมีความละเอียดกว่าแสงเยอะ ทุรังกมังเองกจรังถ้ามันจะไปจะเป็นความคิดเป็นเรื่องอะไรของเราแม้แต่ออกจากกายครับก็เอก จ, จรังไปแต่เดียวเนี่แหละมันข้านแย่งกันที่เขาศึกษากันมาหมดโบราณอาจารย์ใครจะยึดอู่ตายแล้วเนี่ยจิตปัญญาณของเรายังไม่หมดปิบากก็ยังอยู่ยังไม่หมดอัตภาพยังไม่หมดปีบากยังอยู่แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับใคร เรียกว่าเอกเจรังตัวนี้เข้าใจกันยากท่องเที่ยวไปแต่เดียวดายเอกเจรังในแปลว่าท่องเที่ยวไปแต่เดียวดายไม่เกี่ยวกับใครหรอกแต่คนติดติดยึดอยู่อย่างที่ครูบาอาจารย์เก่าๆสอนอาตมามาพูดแล้วมันมันข้านแย่งกันไปหมดเขาก็ไม่เ่ไม่เป็นไรฟังอาตมาไว้เชื่อไม่เชื่ออาตมาไม่มีปัญหารหรอกนะคนศึกษาคนฟังฟังความที่อาตมาพยายามพูด ซึ่อาตมามั่นใจว่าบบสิ่งที่อาตมาพูดเนี่ยอาตมาจะไม่เอาความผิดเอาความไม่ถูกต้องมาพูดเพราะมันมันบาปอาตมานี่กลัวบาปนะอาตมาเนี่ยถือบาปถือบุญนะถือจริงๆนะเป็นเรื่องจริงนะจริงที่สุดคือบาปกับบุญจริงที่สุดคุณไปทําเล่นไม่ได้หรอกเลาะแร่ไม่ได้หรอกดองแล่กับบาปกับบุญไม่ได้คุณนิดนึงคุณก็บาปบาปไปนิดนึงคุณเป็นและ้ะ แต่เริ่มคิดกับเป็นแล้วพูดออกมาก็เป็นอาการที่หยาบออกมาเป็นเลยแหละคุณจะทำแล้วปับ๊บคุจะเอาอย่างรบๆเอาฤทธิ <c oughs> ์ <c oughs> ยาอย่างดีขนาดนี้มาลบมันก็ไม่หายหรอกครับับ <c oughs> เป็นอันทมทําลงไปเป็นอันธทมเลยว่ากรรมมาตรกรรมเป็นอันทมทําแล้วเป็นของเราทำแล้วให้ใครก็ไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้แบ่งใครก็ไม่ได้ไม่หกไม่ตกไม่รง ไม่หกทำนั่นเป็นแล้วเอาเอาไม่ออกได้ไม่หกไปตกไปหด่นอีกต่างหากไม่ระเหยไม่ระเหินกลางเนี่ยร้ายขาดจริงๆแล้วคนไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากเขาเรื่องของเ้าแต่อาตมาเชื่อกรรมเชื่อวิบากใครไม่เชื่อเขาแล้วไปนะเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถที่จะรู้จักวิญญาณครับอ่านวิญญาณออกเนี่แหละเขาเรียกว่าวิปัสนาญาณอืม ผู้ที่สามารถเห็นปัสสะปัจสีปัจสติแปลว่าเห็นทัศนะก็แปลว่าเห็นแต่ไปไว้ไไปว้แต่ว่าปัสสะนี่เห็นโดยสัมผัสตัจสโตปัจสติสัมผัสแตะสิ่งนั้นสิ่งนั้นเลยไม่ใช่แต่แค่ความคิดทัศะนะคือยังมีความคิดบ้างรวมๆทั้งความคิดทั้งการเห็นด้วยโดยรวมด้วยแต่ตัวปัจสตินี่สัมผัสเห็นเลย มีปฏิสัเป็นปัจจัยเลยเป็นนามาทำละเอียดขั้นจิตวิญญาณก็มีปัิสัสัมผัสเห็นจึงเรียกว่าวิปัสนาปัิสัเนี่ยปัสะนะก็เป็นคําอุปสรรคคำนอหนูใส่เข้าไปนอนะเติมั้จริงๆก็คือตัวปัิสัวิก็เป็นตัวอุปสรรคที่เติมใส่คาเข้าไป แปลว่ายิ่งยิ่งถ้า<พ>คนไม่ถึงขั้นก็ไม่เห็นไม่ได้ไม่ใช่ธรรมดาที่จะเห็นวิปัสสัไม่ใช่คนธรรมดาจะเห็นได้คนที่ยิ่งคนที่อีกระดับหนึ่งเนื้อมนุษย์ขึ้นไปเพราะมนุษย์ธรรมดาไม่เห็นบิเปรมัยแม็กบิปัสสัไม่เห็นเพราะงั้นคนเห็นยิ่งเป็นคนที่อุตตริยะแหละ อุตริยะนี่ก็คือเนื้อล่ะยังไม่ใช่อนุตริยนะอนุตริยะนี่เนื้อไม่มีเนื้อกว่านี้อีกครับอุตริยะนี่เนื้อละเริ่มเนื้อละถ้าอนุตริยะนี่เนื้อกว่าเนื้อเลยไม่มีอะไรเนื้อกว่านี้นะที่สุดของที่สุดนี่มันจะเป็นอย่างนั้นด้วยเมื่อคนที่สามารถวิปัสสนาเห็นอาการของจิตได้ครับอ่าแล้วก็อ่านที่นี้อ่านนี่เวลาจะอ่านภาวะของจิตเนี่ย ถ้ากระทบในตาหูจมูกริ้นกายกระทบแล้วก็เกิดสภาวะตากระทบก็เห็นรูปครับหูกระทบก็ได้ยินเสียงจมูกกระทบกิ่นก็ได้กินจิงกระทบร้อนกระทบร้เย็นนอดอ่อนการกระทบสัมผัสเศษสีก็ได้รู้โพธิภพโพธิภารมณ์กระทบอย่างนี้แหละมันเกิดสภาวะจริงเป็นของสดเห็นจริงๆรู้จริงๆเลย เพราะพระพุทธญาติพาปฏิบัติทำพาปฏิบัติสัมผัสจริงๆนะเป็นนั่นึกเอานึกอะไรก็ได้ปั้นอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้สร้างความคิดเนอะปั้นเป็นเทวดาปั้นเป็นผีเป็นสางปั้นว่าเราเองนี่บรรลุธรรมเป็นอรหันต์แสนเป็นอะไรก็ได้นึกว่าเราปั้นสร้างความเพอเจ้อเอาเองความเพอพกของเราเองปั้นยังไงก็ได้แต่สัมผัสนี่มันจริงอะแล้วมันก็เกิดภาพเกิดเสียงเกิดรูปเกิดกลิ่นเกิดอะไรจริงอน่ะ เและในความจริงอนั้นแหละมันมีอันหนึ่งคือกิเลสเข้าไปร่วมปรุงนี่แหละเรียนตรงนี้แหละกิเลสก็ไปร่วมปรุงกับความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แล้วก็รู้ในใจเป็นเวานที่หกเพราะเทวานห้าข้างนอกกับเวานหกร่วมกันทางานตลอดเวลาครับไม่ตลอดเวลาก็ต่อเมื่อคุณดับนอนหลับ ไม่ได้เปิดถาวรห้าเลยดับไปมันก็มีทัวานใจกระเพอพกไปตัดระสากิเลมันก็ฟุ้งไปในโอกฝันนั่นแหละมันก็ไปสารพัดสารเพเป็นเรื่องมั่งมันเป็นเรื่องมั่งเรื่องสนุกมั่งไม่สนุกมั่งทุกมั่งเรื่องทิฏเหลือเชื่อมั่งอะไรมั่งไปตัดพระุทธพื้นก็อย่างนั้นนี่ยมันเอานิยายนี่ไม่เคยได้หลอกแต่เรื่องสัมผัสนี่ี่ยมันเรื่องจริงะจริงโดยสมมุติ จริงโดยมนุษย์ทุกคนต้องอยืนยันกันได้เลยเพราะงั้นเมื่อสัมผัสแล้วเนี่ยมันเกิดอีกอาการหนึ่งคืออาการกิเลสนี่เราต้องแยกให้ออกถ้าแยกกันนี้ไม่ออกแล้วคุณก็ไม่รู้จักตัวธรรมตัวตัวพิเศษตัวนี้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าโสดทิพหรือทิพโสดโสดนีแปลว่ารู้ได้แปลว่ารู้ก็ได้แปลว่าเสียงก็ได้โสดทิพหรือทิพโสด ที่ประสบมีคุณสมบัติอย่างไรเป็นวิชาข้อที่สามครับสี่ีไม่ใช่สามข้อที่สี่พอสัมผัสแล้วเราก็จะรู้ของจริงอันนึงเป็นของธรรมดาในโลกสมมุติเห็นเหมือนกันรู้เหมือนกันคนที่ตาก็ดีอยู่หูก็ดีอยู่จมูกก็ดีกลิ่นก็ดีประสาทดีๆกันอยู่ครับประกระทบสัมผัสกับสิ่งอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันหมดเห็นเหมือนกัน ได้ยินเหมือนกันหมดแต่กิ่นเหมือนกันหมดอ่ากระทบดินก็เหมือนกันรถอย่างนั้นกระทบสปัตเต็สีเย็นนออ่อนแข็งองก็เหมือนกันครัไม่ต่างกันแต่กิเลสมันปรุ ง, ร ง, รงแต่งยังไม่เหมือนครับไม่เหมือนอย่างอาตมาเห็นมาราเนี่ยโอ้มันงามบางคนบอกโอ้มาราไม่ไหวนึกถึงขมเลยไม่กินนะไม่ชอบอาตมาเคยเล่านะว่าสมัยอาตมายังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ครับ สุพิมอาตมานี่เป็นนักศึกษาตอนเรียนหนังสือตั้งแต่ตอนเด็กๆหนุ่มๆต้องเรียนหนังสือหนังหาอยู่เนี่ยอาตมาจนครับอ่าที่ ส, ส, ส่งสุพิมเป็นเด็กสองสุพิมส่งเสร็จมาแล้วเย็นกาจะเข้าบา้านเข้าหอาพักแวะร้านร้านร้านร้านอาหารเ จ, จำำ้าจํานํา ไม่ต้องสั่งหรอกเขารู้เลยว่าจะาามาจะกินอะไรเหมือนเดิมไม่ต้องสั่งนั่งปั๊บไปเด็กเขาก็ตักมาเอามาตั้งโต๊ะปับ๊บแกงมร้าเขาเยกินเหมือนเดิมปรัสสดหันบา ง, บางมรัสสดาา้องบอกกับเครื่องในไก่ต้มมรัสสดกับเครื่องในไก่แกงจืดคราปรุงดีเนี่ยเขารู้เขารู้ รู้จนกระทั่งมันพูดกันจนกระทั่งไม่ต้องสั่งกันแล้วเดินเข้าไปไม่สั่งอะไรหรอกเข้าไปนั่งเดี็กเข้ามาเห็นหน้าอ่้หมดแล้วจักมาประจําเลยนอกจากจะสั่งเพิ่อมอย่างอื่นก็ว่ากันแต่อันนี้ประจำํำแหวแหวสักไกลนี่ <c oughs> มาแล้วเราเนี่ยไม่ใยากอะไรเราอยากโชว์ <laughs> มันสวยโอ้โหนี่รู้ที่เนี่แต่ละลูกแต่ละลูกนี่โอ้โหนุณไม่เห็นผิวพัรุ <c oughs> ์อยู่ในทางเสาสร <c oughs> ทัศน์มี้ามด้วย อยาเห็นผิวพันธุ์มมันย่องไหมนี่มันย่องโอ้โหกรอบอ่ะนิ่มนะทั้งกรอบทั้งนิ่มนวลโอ้โหอขมก็ไม่ขมจัดเหมือนกับมรัไท ย, ไทยอ่ะมรัไทยมรัขีนกนี่ขมมรัขีนกไอ้นี่มรัจีนนี่โอ้คืออมรัจีนเขาเรียกหมักพักไซ ใ็ตายสารเรียกมรณะนี่เรียกหมากฟักไซหมากฟักไซอย่างนี้ก็เรียกหมากฟักไซเจ็กหมกเจ็กเอ่อมระนี่ก็คือไม่รู้เขาเรียกเขาเรียกกันยังัง น, นะนะมันสวยก็พูดไปการประกอบการอธิบาอยรั่วอย่างนี้ก็ดูสิเนี่โอ้ลูกกินแล้วจ ก, กันเนี่เนี่ยก้นน้าว่าเนี่ยนะอ้าต่อเมื่อเราสัมผัสแล้วเนี่ยเราจะเกิด เห็นตาเห็นรูปมันก็เห็นแล้วได้กลิ่นเอาเลาเราก็ได้กลิ่นเหมือนกันนะทุกคนเรียกว่าเสียงมนุษย์กลิ่นมนุษย์รูปมนุษย์รสมนุษย์มนุษย์ก็จะได้อันนี้เหมือนกันหมดแต่มีเสียงทิพกลิ่นทิพรูปทิพสัมผัสทิพอีกอย่างหนึ่งเพราะงั้นผูมีวิชาข้อที่สี่นี่เรียกว่ารู้จักทิพนี่ก็คือสามารถรู้ว่าเรา ชักจะไม่เข้าทีแล้วนะไอ้ที่อันหนึ่งมันต่างจากไปในคนนี้อันเดียวกันเหมือนกันหมดเหน็นมรัแล้วมันชิมก็ขมอย่างนี้มันก็ขมเท่ากันเหมือนกันหมดนั่นแหละรสชาติอย่างนี้แต่ไอ้ที่ชอบไม่ชอบขึ้นสวรรค์ลงนรกนี่ต่างกันครับคนชอบก็บอกโอ้โหอร่อยจริงๆมระนี่คนไม่ชอบก็บกว้ายขมไม่ได้เรื่องรสชาติไม่ชอบ นั่นหละคนไหนรู้ตัวชอบหรือชังเรืงวัตถิ์ตามเหตุแห่งตัวชอบหรือชังผลักหรือดูดนันนี้ให้ได้คุณจะอ่านใจของคุณเห็นในใจของคุณมันผลักใจของคุณมันดูองค์ประชุมที่มันผสมปรุงร่วมปั๊บประชอบแล้วก็สุขไม่ชอบแล้วก็ทุกชังผลัก ผลักไม่ได้ก็ยิ่งทุกนานเลยถ้าผลักได้กออ็ก็ทุกแล้วก็หายไปครับ น, นั่นคือภาวะที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะกระทบอะไรในโลกนี้ลาบยศสันเซิญเจอลาบ ด, ดีใจเสียใจชอบใจไม่ชอบใจอยากได้ไม่อยากไ ด, ด้เจอยศเจอสันเซิญเจอกราม ทางตาหูจมูกลิกายเนี่ยสัมผัสอัตตาก็ยากหนยจะต้องเจออะไรก็แล้วแต่ที่เราเองเรายึดในตัวตอนอัตตามันมีอาการที่นอกจากตาหูจมูกลิกายนอกจากรูปรสกลิ่นสียงสัมผัสมันก็จะมีอาการคุณเรียนรู้แล้วคุณอ่านเสียงทิปรูปทิปกลิ่นทิปอะไรพวกนี้ออกแล้วหาเหตุเจอว่าอ้อเพราะเราไป็ อ, อัปปทานไปยึดยึดมัจะต้องเอามาให้ได้หรือไม่ได้ครับ ผลักหรือดูดคุณก็ล้างตัวนั้นไม่ต้องไปผลักไม่ต้องเป็นดูดไม่ต้องไปชอบไม่ต้องไปหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นหรือไม่หน้าได้ไม่นามีไม่น่ า, นาเป็นไม่ต้องไม่ต้องนี่เป็นโวหารแต่คุณต้องไปปฏิบัติจริงว่าเวลาคุณสัมผัสแล้วเนี่ยคุณเป็นยังไงเป็นยังไงคุณก็ล้างกิเลสตัวนั้นโดยล้างวิธีล้างเนี่ยมีต่างกันวิธีล้างของพุทธอ่า เอาละยังมันต้องเดีม๋มาได้อธิบายพอล้างได้กิเลสหมดแล้วกิเลสดำใทวันนี้โรธเหตุใหญ่มันก็คือกิเลสต้องอ่านตัวกิเลสออกมันพูดใดที่สามารถอ่านตัวกิเลสอ่านสภาวะหรือตัวตนของกิเลสได้อ่านโดยมีผัสสะมีวิปัสนามี ตาทิพย์เห็นเห็นตัวกิเลสเห็นเมื่อใดเมื่อมีผัสสะพังให้ดีในะปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อใดไม่ใช่เมื่อนั่งหลับตาแล้วก็ไปเห็นไม่ใช่เมื่อเปิดตาเห็นกระทบหูก็ได้ยินจมูกได้กลินล่นลิ้นได้รสเลยกระทบแล้วคุณก็เห็นเลยผัสสะแล้วคุณก็อ่านออกว่าตัวตนของกิเลสเมื่อกี้อธิบายมาแล้วนะตัวตนอยู่ตรงไหนตอนไหนตอนไหน อตัวตนไปอยู่ตอนไหนไอ้รูปสามัญกับรูปทิพย์เสียงสามัญเสียงทิพย์กลิ่นสามัญกลิ่นทิพย์รถสามัญรถทิพย์เราเห็นทิพย์เรามีญาณทิพย์สามารถแยกญาณทิพยอ่านตัวตนออกเริ่มต้นตั้งแต่อ่านตัวตนออกเนี่ยคุณเริ่มละเริ่มมีนามะรูปปริเฉตยานะเพราะอ่านตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตาแต่มันเรื่อง ทิพย์ไงมันอ่านเนื้อหาของตัวตัวตนของจิตเจตะสิกยังไม่ได้แยกขึ้นกันกิเลสทีเดียวก็ตามคุณจับตัวตนได้แล้วว่าไอ้นี่เองเรายึดสุขยึดทุกข์นี่เองเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นทุกข์ตัวแรกคืออริยสัตว์ตัวที่หนึ่งถ้าเห็นสุขมันเป็นตัวหลอกอาจามาเข้ามาอธิบายอยู่นี้อย่าไปหลงมันเลยตัวหลอกสุขนี่นะ คุณอะไรสุขพระพุทธเจ้าก็มีอุบายเครื่องออกว่าอย่าให้มันถ้ามันได้ผ้าแล้วมันสุขมันอยากได้ทองเลิกไม่ต้องให้ทองมันเจอทองก็ให้มันอยากได้มันจะเห็นกิเลสเลยตัวนี้ตัวผีแท้เลยในตัวเหตุนี่ในตัวเหตุอ่ะวิธีที่เราอุบายเครื่องออกพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าต้องตั้งศีลตั้งข้อกาหนดว่าเวรมณีนะอารติอารติรตปฏิวิลตินะ อาติเวรติปฏิเวรติเว้นขาดเลิกไม่ให้มันจะเห็นตัวมิปัจฉนาเห็นตัวอาการจิตของเรามันไม่มีสีสันตัวตนรูปร่างนะมันดิน้นนะถ้ามันดิ้นมากๆเขาเรียกสัตว์นรกสัตว์เนริยะภูมิถ้ามันยังดิ้นอยากนะมันไม่ถึงขั้นที่ดิ้นมากเกินก็อยากนะเรียกว่าปิติวิสัยปิิวิสยะหรือเปรต ถ้ามันไม่รู้เรียกมันว่าเดรัจฉานมันโง่มันไม่รู้มันนิ่นอยู่เลยมันก็ยังไม่รู้เลยเนะี่โง่ล่ะถ้ามันเป็นนรกนับไม่ท้วนแล้วก็เลยไม่รู้เลยว่าอะไรมั่งก็คือเไว้โยนไปให้เป็นสัตว์กิเลสต่างๆนานาบินิบาตต่างๆตกนรกต่างๆหมดเลยที่อธิบายต่างๆไปนี้ภาษาอธิบายไปวันนี้คือเรื่องของจิตเจตสิก รูปนิพพานเรื่องของจิตเจตสิกขภิธรรมมันสิน่งปรมามัดทั้งนั้นเลยกรลังไปเรียนรู้ทีนี้มาเข้าออเรื่องกันว่ากําลังจะพูดเรื่องนิโรธครับคุณตามเห็นทุกตามเห็นเหตุแห่งทุกกําจัดเหตุทุกกําจัดไปโดยการปฏิบัติไปลดละการคลายไปก็เห็นความลดละการคลายท่านเริ่มต้นความรู้นี่นะของพุณนี่เริ่มต้นตั้งแต่อ น, นิจญานุปัสสี เริ่มจนจะเห็นความไม่เที่ยงอันนี้จังไม่เที่ยงคือมันมันไม่จริงหรอมันก็ได้มีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระบาวนเวียนเวียนนั่นะไม่ว่าจะเป็นอาการสุขอาการที่เราต้องได้ต้องมีต้องเป็นยึดตัวเกิดมันไม่นพลากจากกันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องจากมันก็ต้องปลามันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละคุณต้องเห็นตัวนี้ก่อนเป็นเบื้องตน้นครับพอคุณเห็นว่าเออไอตัวจิตตัวนี้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอมันไม่ได้อยู่กับเราสุขประเดี๋ยวอยู่วยวหรือผายไป ยิ่งสูงยิ่งหายเร็วแต่เจ้าทุกข์เนี่ยมันไม่ดับเหตุมันเหมือนมาหา ย, ยัยคราวเหมือนกันนะแต่มันไม่หายไปเลยมันฝังไว้แบบข้ายังเอาเองอยู่นะข้าคราวนี้จองไว้ก่อนอ่าทีนี้ข้าไม่ได้เดี๋ยวเธอมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่หายไปจึงเรียกทุกข์นี่เป็น สัจจะเป็นอริยสัจจะท่านไม่เรียกทุกเียว่าออกเข้าไปทุกเรียกว่าสัจจะสุขเรียกว่าของหลอกของเท็จสุขคลิกครับเพราะมันเดียวเดียวยิ่งก็ปลายเข็มจึ๊บเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วคุณให้มาต่อเนื่องๆไปมันก็หรือมันนานเหมือนมันนานคุณเลี้ยงมันไว้นะสุขอ่ะหรือมันมีเหตุปัจจัยอยู่คุณก็ทําเผลอลืมมือแม่สุขไปกับมัเผลอไปกับมันไปเรื่อยแต่ถ้าไม่ให้มันสัมผัสแม่ให้มันมันก็อยู่แล้ว ให้สดสดที่คุณได้สัผัสแต่ต้องสิ่งจริงที่อันนั้นน่ะสดสดสดจริงๆสัมผัสคนนั้นพอไม่ได้สัมผัสมันหายไปแล้วครับแต่คุณยังบอกสดสดอยู่นี่คือความจําของคุณนะของแห้งแล้วนะเนี่ยตมาว่าตมาอธิบายละอีละเอียดแล้วแต่คนก็ไม่่อยเข้าใจมันก็ไม่เป็นไรมันยังไม่เข้าใจคนใครเข้าใจบ้างแล้วบ้างสิบปีบ้างหนึ่งจิตโทรสองบ้าง ใครเข้าใจมากขึ้นสิบโทใครสิบเอกสามต้งยกยาวคนนั้นสิบเอกเป็นจ่าเลยนะยกยาวเลยไม่มีในร้อยเออมีน้อยขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราถึงนิโรธเราก็เห็นนิโรธตอนนี้เราจะเข้าเรื่องอ่ะแหมหยืดยาติอาตมานี่เป็นอย่างนี้โอ้ยหยุดจาติจืดคุณก็จะเห็นนิโรธนิโรธนี่คือความดับ เห็นนิโรธอะไรดับตัวสมุทัยดับตัวเหตุแห่งทุกข์ดับเรียกเต็มๆว่าคือกิเลสกิเลสก็มีตัณหาอุปาทานครับหรือแม้จะอวิชชาไปเรือแล้วแต่นั่นล่ะเราก็เอาให้พวกนั้นดับไอพวกนี้เหตุพวกนี้เหตุเอาให้พวกนี้ดับแล้วก็ทําไปตามลําดับอ่า อย่าเพิ่งเป็นดับโดยไม่มีลำนะทาไปตามลําดับอ่าส่วนมาก ใ, ใจร้อนจะเอาดับโดยไม่ต้องมีไม่ต้องขึ้นลําเลยปุ๊บเดียวจะกระโดดถึงยอดยอดเล ย, เลยไม่เอาแล้วลําเริ่มไม่เอาแล้วอ่ามาถึงกระโดดขึ้นยอดเลยเนี่ยจะโดดขึ้นยอดเลยนี่ไม่เอาลําเลยเนี่ยไม่ได้ต้องดับเป็นลำลำไปลําดับไปนะนใช้โวหารใช้ภาษาอธิบาย มันก็ชวนฟังขึ้นนิดนึงเนาะไม่เป็นแข็งเล่นๆหน่อยนั่นก็แต่มันก็เรื่องจริงนะอาตมาไม่ได้แวะพูดแล้วแล้วมันออกนอกเรื่องไม่นอกเรื่องเราในเรื่องมันมาเริ่มตับตอนแรกเห็นเป็นอนิจจังตอนต่อมามีความรู้สามารถที่จะเห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์มันไม่ใช่ตุภาสุขมันเป็นภาระเป็นเรื่องทุกข์เห็นจริงๆญาณปัญญามันจะเกิดเห็นจริงๆเดี๋ยวว่าเกิด นั่นแหละพระพุทธเจ้าไปจากบราณอาจารย์ท่านเรียก ม, มาจากคำสอนรู้เจ้ามาเรียบเรียงไว้เป็นยานสิบหกนั่นแหละก็จ ะ, ะเห็นว่ามันโอ้โหเริ่มต้นตั้งแต่วิปัสนาญาณนี่มีมีก้าเรียบพระพุทธเจ้าเขาเอามาตัดไปมันเกิดอะไปในพระธรรมโมีวิปัสนาญาณก<ส>้าเห็นตั้งแต่อุทัพปญญาวิปัสนาญาณเห็นว่ามันวนเวียนวนเวียนไปเกิดไปแล้วมันก็หายไปสู่ดับหมดเลยเ ก, กิดมาเกิดมาดับไปดับสุต้ามก็หายไปดับ อุทภปยาโนปาานัสนาญาสูงขึไปกว่นั้นพังคานุปาานัสนาญาณญาณที่เห็นชัดขึ้นว่าพังคะคือมันมีแต่ศูญหายมัน ม, มีแต่ดับมันมีแต่คขายไปคลายไปหนักคือจะเห็นญาณเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันไม่ได้ตั้งอยู่หรอกอะไรมันก็ไม่ตั้งอยู่อะไรมันก็เคลื่อนไปแล้วก็วนเวียนไปแล้วก็ตั้งอยู่หายไปมันครุกคลาว ถ้าเราก็ไปยึดเป็นจริงเป็นจังเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นรูปเป็นบ้างเป็นสิ่งที่จะต้องถาวรยั่งยืนที่เป็นความหลงญาณเห็นฟังคานุปัสสนาญาณเห็นขึ้นมากขึ้นสูงขึ้นจนถึงขั้นพักญาณนุปัสสนาญาณพยะพยะตูปัฏฐานญาณเห็นเป็นภัยน่ากลัวเป็นภัยนี่คือน่ากลัวเออนี่คือญาณที่เราจะค่อยๆตรวจญาเห็น ญานพวกนี้แหละคือพลังปัญญาอุณหาหะธาตพลังปัญญาหรือความเป็นฌานเป็นพลังงานจริงๆนะมันสูงสูงขึ้นจนกระทั่งมันจะกำลาบไอความติดยดึดกำลาบไอตัณหากิเลส ต, ต่างๆของเราแต่ก่อนกิเลสเราเราจะเอ า, อางี้นี้พอไฟปัญญาหรือไฟฌานเนี่ยมันสูงขึ้นมันละลายละลายละลายไปเรื่อย พอเราทําให้ไอ้ความติดยึดความยึดมุ่งมั่นไปตามกิเลสตะนาวประธานเราที่ยึดนั่นนะมันจางลงคลายลงเราจะเห็นสภาวะของวิราคานุปัตสีปัตสีหรือวิปัสสนานี่แหละปัตสีปัปตสเห็นเมื่อเห็นสภาวะมันจางคลายลงจางคลายลงเป็นข้อที่สองของท่านตรัสไว้ในอาณาปานสตินี่อันเนี้ย อนิจจานุปัสสีนี่อนุปัสสีสี่นีอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรทานุปัสสีปฏินิสกานุปัสสีนี่พอให้ความจางคลายลงไปจนกระทั่งมันหมดก็เรียกว่าันดับก็เห็นความดับนิโรธานุปัสสีเห็นความดับไม่จะไปดับจิตเลยนะมันมีแต่ปัญญาเห็นปัจจปัจสีเห็นปัจสโตชานโตปัจสโตวิโรติเห็นอยู่หลั่งๆเป็นปัจจุบันนั่นเลยในสิ่งที่ภาคปัติบัติอยู่ ตาหูจมูกลินกายเห็นกับทมสัมผัสหมดเลยของพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งนั้นนะส่วนจะไป น, นั่งหลับตานะั้นเป็นเจโตสมถตาเป็นอะไรนะเป็นอุปการะเข้าใจดีๆแล้วใช้เป็นอุปการะมีประโยชน์ใช้ทําเตวิชโชบัง่งใช้ปิหารธรรมมัง่งอะไรมัง่งอาตมาก็อธิบายนะนั่งเจโตสมาฐานนะั้นะมีประโยชน์หนึ่งสงบไปสุขปิหารธรรมสองไปการศึกษาก็ได้เรียนรู้จิตในสภาวะภายในข้างใน โดยไม่กระทบสมพัดข้างนอกคุณก็นั่งสมาธิคุณก็อ่านมันจะคิดมันจะนึกมันจะฟุ้งมันจะเป็นอาการยังไงก็เอามาศึกษาพิจารณาอ่านมันได้มันเป็นอาการอย่างไรในขันญญาในการศึกษาสามเซวิชฌ์แล้วึกความหลังมาตรวจสอบเห็นความเกิดความดับในสิ่งที่เอาอดีตเพณีวาสารสติญาจุดตูปปาติญาเห็นอะไรมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ดับไปเห็นอะไรมันเกิดมันดับก็คือ จิตที่ยึดที่ติดจิตกิเลสก็ไม่กิเลสที่เราเคยปฏิบัตินี่หลอะไรเกิดอะไรดับกิเลสเกิดกิเลสดับกิเลสเราได้ล้ามันดับไหมจนสุดท้ายอาสวะขยายานยานเห็นดับไปจนกระทั่งสิ้นอาสวะเป็นเตวิโชเป็นประโยชน์ในการจะทบทวนนักควรทําพระพุทธเจ้าก็สนับสนุนให้ทําภายหลังพัดอิ่มใหม่ๆยังไม่ได้ทําอะไรมา ก, กเป็นนั่งก็ดึกทำเตวิโช อาตมาไม่ได้ตีทิ้งการ น, นั่งสมาธิเจโตสมถะแต่คนที่เขาไม่นั่งเจโตสมถะเลยไม่ใช้เข้าไปฌานแลก็ไปทําประโยชน์ในเรื่องฌานเนี่ยเป็นเรื่องที่ข้างในแต่เขาศึกษาแต่เฉพาะข้างปฏิบัติทําแบบพระเจ้าเลยบรรลุโลกุตระลุล้วนเลยไม่มีเจโตสมถะเลยมันก็มีได้ไปของแท้เลยนะไปของแท้เลย ของพระพุทธเจ้าสดๆเลยในบุคคลสี่บุคคลสิบุคคลเก้าอะไรพวกนี้ก็มีคนเหล่านี้มีบุคคลพวกเนี้ยบุคคลที่ได้แต่เจโตสมถะถึงทุกวันนี้ก็นั่งแต่เจโตสมถะข้างในกันวิปัสสนาอย่างที่ว่าเนี่ลืมตาเนี่ยไม่คสเป็นก็ไม่เคยได้ไปได้แต่เจโตสมถะบุคคลที่หนึ่งได้แต่เจโตสมถะไม่ได้โลกุตระเลย แล้วหลงเจโตสมาธิาเป็นนิโรธเป็นนิพพานเป็นการมารุธรรมอีกเยอะข้อไปอาตมาพูดตรงพูดผ่าพูดไม่ประนีประนอมเลยต้องข้อไปส่วนบุคคลที่สองเนะี่ยได้แต่โลกุตระไม่ได้เจโตสมาธิอ น, นี้พระธบิดาเรื่องสามสิบหกข้อสิบคุณไปตรวจโดยพูดดีพ ม, มีนะหรือข้อร้อยสามสิบเจดมันมันหลายไงบุคคล บุคคลสี่บุคคลเก้าบุคคลสิบบุคคลอะไรมันเยอะแยะนะท่านาาตรัสไว้บุคคลต้องเป็นเท่าไหร่นะเพราะงัข้อร้อยสามสิบเจ็ดก็มีข้อห้าร้อยยบร้อยยีห้าเขามีอะไรเงี้ยข้อสิบก็มีบุคคลสบุคคลอีกผู้หนึ่งได้จตโลภุตระไม่ได้เจโตสมถะเลยส่วนบุคคลที่สามนี่ได้ทั้งโลภุตระได้ทั้งเจโตสมถะได้ทั้งสองอย่างส่วนบุคคลที่สี่นั้น เยอะไม่ได้สักกย่างเจตุสมาธิก็ไม่ได้โลกุตระก็ไม่มีมีแต่โล ก, กีล้วนๆแต่ก็ข่ากันแกงกันอยู่ในโลกนี่เต็มไปหมด น, นี่บุคคลสี่เพราะฉะนั้นบุคคลที่เจโตสมาธินี่ก็ต้องเข้าใจเป็นสมาธิที่มีได้เป็นดุพกระคนฟังธรรมะอัตมาอัตมาไม่ได้เน้นเท่า น, นั้นเองไม่ได้เน้นเจโตสมาธ แต่ท่านที่หลงติดเจโตวมัสตาก็ว่าอาตมาแล้วอาตมากระวนผิดก็เป็นโด น, นอาตมาว่าอยู่เลยก็โกรธโกรธแล้วก็ เ, เป็นทุกข์ยิ่งโกรธก็ยิ่งทุกข์กิเลสก็ยิ่งนา้าเพราะงั้นก็ไม่รู้จะกการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาถ้าวิปัสสนาก็จะไปโกรธทําไมน ะ, นะคนเขาว่าเราไม่ดีนี่แล้วก็ยิงต้องฟังหมือนว่าเราผิด เ, าเอามันผิดจริงเลยแล้วก็มาศึกษาตัวซ้อนให้จริงเลยถ้ามันไม่จริงมันผิดเราไม่ได้ผิดอย่างที่เขาว่านี่ ก็แล้วไปที่คนงงไม่รู้่คนเขามองเราผิดก็เขาตาถั่วเองเขาปัญญาไม่ดีเองเขาโง่เองมันอยู่ที่เขาไม่ใช่เราขอสาคัญเราอยา่าลาเอียงเข้าข้างตัวเองแล้วกันตัวให้จริงอ่าถ้าเราผิดจริงกราบเขาเลยโอ้ดีแฮ้เราไม่รู้ตัวคนมาทักท้วงให้นี่เราผิดจริงๆเลยนี่ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยกราบเขาเลยไม่โกรธเขาทำไม ถ้าเขาด่าเราถูกต้องแทนที่จะโกรธต้องกราบกราบไม่จะโกรธถ้าเขาด่าเราถูกจริงๆคนต้องฉลาดอย่างนี้เนีโง่ทําไมนะจริงๆนะอาตมาเองเนี่ยนะคุณ S M S เอสเออคุณที่เอสเอบอกว่าอาตมาเนีว่าโอ้โง่เนี่ยอาตมาดูไม่ได้กราบเพราะว่ามันไม่จริงอ่ะถ้าจริงอาตมา ก, ก็จะกราบหรอกอาตมาไม่ได้โกรธนะ บ้าอาตมาไม่โกรธหรอกปราบอ่าอย่างงู้นอย่างนี้นะอเกิดเกิดเกิดเรียกว่าอาตมาบ้าอาตมาอยู่ตลอดแต่อาตมาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ว่านั้นอาตมาก็เลยไม่ไม่โกรธแล้วก็ไม่ปราบครับก็สบายแล้วนี่ไม่โกรธก็สบายแล้วทไม่ปราบนะถ้าถูกก็จะปราบนะถูกก็จะปราบนะอาชีนี้ ผู้ที่สามารถปฏิบัติถูกสมาธิถิก็ปฏิบัติวิปัสสนานีนเป็นหลักแต่อุปการะปฏิบัติสมถะเจโตสมรถะประกอบนั่งสมาธิประกอบได้เป็นของแห้งแถมตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่เป็นเทวิโชอะไรก็แล้วแ ต, แต่แต่ถ้าไปของสดี่ปฏิบัติจริงปฏิบัติสดส ด, ส ด, สดกิเลสหมดเป็นอหรหันต์กันสดสดนี่เป็นลมพุทระไม่มีเจโตสมรถะเลยก็ฉัาไม่เป็นไรได้นะ แต่เจโตสมถานี่ไม่มีจโจรุกุตระไม่มีการปฏิบัติถูกสมาธิถิตไม่มีทางบรรลุนะเจโตสมถาให้ตายก็ไม่มีบรรลุเหมือ น, นอารานดาบทอุทกดาบทไม่มีทางบรรลุนะนั่นะเป็นผู้ที่ปฏิบัติแม่ที่สุดเป็นหลงนิโรธดับนะอะาจะมาไม่อธิบายนะฌานสี่อรูปฌานสี่วันนี้มาอธิบายทานไปก่อนครมาพูดถึงแบบพุทธกับแบบไม่เจพุทธนะ เพราะฉะั้นผู้ที่ไม่รู้ก็จะไม่รู้องค์ประชุมหรือองรวมที่ท่านพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสตาวาสเก้ากับปัญ ญ, ญาณทิฏฐิเจับนะเมื่อผู้ที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยปฏิบัติไม่รู้จักกายหรือผู้ปฏิบัติตอนนี้กําลังตั้งสมุดฐานว่าเอาผู้ที่ไม่ใช่แปดพุทธนเป็นแปดพุแล้วเราตั้งข้อว่าเป็นนิโรธนะเพราะฉะนัะ้นเมื่อผู้ที่ทาสําเร็จ อหลงสภาวะที่ตัวเองปฏิบัติสําเร็จนั้นสําเร็จนั้นจะเป็นของที่จริงหรือไม่จริงก็กําลังอธิบายอยู่หลงยึปภาวะที่ได้ที่มีที่เป็นนั่นอยู่แล้วก็หลงว่าตนมีความไม่มีสําเร็จแล้วไม่มีเนี่ยไวยพจน์ของมันก็คือดับหรือตายหรือศูนย์นะมันไม่มีครับโดยนิโรธผู้เป็นศัพท์ภา ษ, าษาวิจารณ์เนื่องว่าตนมีความไม่มีสําเร็จแล้วแต่แท้จริง ยังมียังมีอยู่แท้แท้และภาวะที่ได้อยู่มีอยู่นั้นก็ไม่ใช่ภาวะไม่มีนะโมติมที่ถูกต้องตามสัจธรรมจริงเลยไม่ถูกต้องครับแต่มันมีนัยยะของความไม่มีมีอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวฟังดีๆมันลึกซึ้งตั้งแต่ที่ภาวะของผล น, นั้นไม่ใช่ความไม่มีภาวะจริงของนิโรธอริยสัจไม่ใช่ภาวะจริงของนิโรธอริยสัจ เพราะไม่ใช่ความดับสนิทสิ้นของกิเลสอาสะวะมันไม่ใช่ความดับสิ้นของกิเลสอาสะวะครับเพราะว่าภาวะทีจะะสสะะนะ่จะไม่ให้มีนั่นน่ะคือกิเลสอาสวะน่ะจะไม่มีนั่นน่ะไม่ได้ถูกกําจัดจนกระทั่งไม่เหลือในจิตแล้วเขาไม่ได้ทําให้จนกระทั่งเขาชัดเจนว่าเขากิเลสจนกระทั่งไปถึงอาสวะดักหมดแล้วไม่มีไม่เหลือในจิตแล้ว เมื่อไม่เหลือแล้วก็ไม่มีนะไม่เหลือซึ่งจะต้องไม่มีพอไม่เหลือมันก็ไม่มีนะความเป็นกายของภาวะที่จะไม่ให้มีอยู่ในโลกผลที่ได้จึงเป็นผลที่ผิดเพราะเขาไม่ได้ได้อันนี้ภาวะที่จะไม่ให้มีเนี่ยเขาทำไม่ได้เขาทำผิดเขาเป็นมี หลงมีว่าไม่มีเขาไปได้ความไม่มีนิโรธแปล ว, ว่าความไม่มีเขาไปได้นิโรธแบบหนึ่งและเขาก็ถือว่าเออเขาไปถึงความไม่มีแล้วแล้วเขาก็ได้ความไม่มีนั้นองค์ประชุมของจิตเปรียกว่ากายโยองค์ประชุมของจิตเป็ น, วยยปปนความไม่มีเขาก็ไปหลงผลที่ไม่มีนั้นไปหลงผิดอันนั้นทั้งๆที่ตนยึดอยู่อีก หลงว่าไม่มีเนี่ยต้องก็ยึดไว้ความไม่มีนั่นอีกนะหลงตอนหลงยึดภาวะความไม่มีที่ผิดนั่นอยู่นะครับพูดหลงผิดนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ได้ว่าตนมีความยึดนอกจากเขาเ้าไปมีนิโรธ ด, ดับทิ่เป็นกินิาหามืดเยื่อนันแล้วเขายังยึดอันนี้เป็นนิโรธอีกนะและเขาก็ไม่รู้ว่าเขายึดอีกครับ มันมีสองสองแดงนะครับแดงหนึ่งไปมีไอ้ของผิดแดงสองยึดของผิดมาของถูกอผมเนี่ยมันมันลึกซึ้งซับซ้อนเงี้ผมมองงี้ครับพ่อครูครับ<ะ>ผมมองว่าเป็นการขึ้นรถไฟผิดขบวนครับ <c oughs> แล้วก็เข้าใจว่าตัวเองนั่นอยู่บนรถไฟที่ไปถูกล้างถูกเส้นถูกทางครับอ่าแต่ทั<อ>้งที่จริงๆแล้วมันผิดขบวนมันไม่ใช่ ไ, ไม่ใช่ขบวนที่จะไป ปลายทางที่จะไปนี่โลดที่แท้จริงปลายทางก็คือไปสุดไปถึงรงชัยแห่งพระอรหันต์ไปเส้นชัยแห่งพระอรหันต์แท้จริงก็เข้าใจว่าขบวนเนี่มันใช่ยืนยันเพราะคนก็คึ้เยอะแยะสับสนอยู่เลยครับพ่อรียกยังไงก็ได้ะเพราะงั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาเองนี่มีความติดยึดอีกมีความยึดอันนั้นอีกอย่างนี้แหละเรียกว่าความไม่มีในโลกอในภาษา ดิจการนั่นเอวันโลเกนัตติตาครับไม่มีไม่มีมรคนไม่มีมรคลในโลกนี้ไอโลกที่ควรมีไม่มีก็เลยย่อมไม่มีนาโฮติคนคนนี้เราถือว่าเขายังไม่มีไม่มีอะไรไม่มีมรคลครับเอฟดีในโลกที่ควรจะมีเขายังไม่มีเขาไปยึดผิดแล้วท่านี่ไปจมยึดอยนางนั่ะพูดกันไม่รู้เรื่องเลยไม่งงไม่เงยเลยหาว่าเราไม่มีหาว่าเราไม่รู้อีกเลยจนมาท้าให้อัตมาน นั่งดับนิโรธเข้าไปใสกล่องยี่หกวันมือฤาษีอาตมาว่าอาตมาทำไม่เก่งขนาดนั้นใจตโตสมุท t h แบบนั้นอาตมาทําไม่ได้อาตมาก็พูดตรงๆอธิบายฟังแต่อาตมาก็ทําได้ทําได้ขนาดนึงนะไม่ได้เก่งขนาดนั้น่ะแต่ก็รู้ว่าอินนิโรธเป็นยังไงถ้าทําขนาดนั้นเขาเก่งก็เราก็เข้าใจอ่ะแต่เราไม่ไทํา <laughs> เขาก็มาท่าอาตมาด้วยน <laughs> แน่จริงทั้งทําแบบนั้นที่อาตมาทำเป็นอะอานนตมาก็ยอมแพ้แล้วอ่ะ ในเป็นอ่ะมันท้าสิ่งที่อาตมาทําไม่ถึงทําไม่ได้แต่อาตมารู้แล้วก็อย่างนั้นแหละทําเก่งๆมันก็ชํานานไงก็ทําทได้อาตมาไม่เห็นจะสงสัยอะไรนะเพราะงั้นเขายังไม่มีเข้าไปได้นิโรธแบบนั้นนะโลกที่นี้คําว่าโลกนิโรธที่ว่านี่ยคิดว่าไม่มีนี่นะโหติภาษาบาีว่านาโฮตินัน่นครับก็บคือความไม่มีโลกนิโรธคําว่าโลกนิโรธนี่ คุมหมดเลยนะความเป็นโลกความเป็นโลกนันเป็นภพก็ไม่มีภพในโลกอยู่กับโลกเขาอยู่ในโลกคุณก็เป็นคนไม่มีเหมือนกันไม่มีไม่มีสิ่งที่โลกเขามีโลกเขาอยากมีมี ม, ม, มีเขาอยากมีลาภยอะจนเติมมีกามีอัตตาคนคนนี้ไม่มี ลาบก็ไม่มียอก็ไม่มีมีก็ไม่เอากามก็ไม่มีอัตราก็ไม่มีคนอะไรวงเล็บ ว, วะไม่มีเพราะงั้นโลกหรือพบหรือโลกกระทหรืออยู่ในโลกซับซ้อนในมาหลายชั้นมนาะเขาก็อยู่ในโลกแล้วเขาเป็นคนไม่มีอยู่ในโลกเป็นคนไม่มีอยู่ในโลก เข้าใจนะเข้าใจถึงความมีความไม่มีมากขึ้นลึกขึ้นในพระธจรมปิฎกเล่มที่หกข้อสี่สิบสามที่ท่านกล่าวไปผู้สนใจก็ค้นคว้าจากพระธรรมปิฎกนะเขาไม่มีภาวะที่โลกทั้งโลกไม่ควรมีนะเขาไม่มีภาวะโลกโลกไม่ควรมีเขากลับไปไปมีสิ่งที่โลกไม่ควรมีโลกออย่างนั้นไอควมีไม่ไม่ยากจะมีไปมีความมืดยึงงั้นก็ยิ่งแย่ผู้สนใจก็ค้นคว้าจากพระจรรมปิฎกเล่มที่หกข้อสี่ิบสาม ซึ่งความเป็นนิโรธอริยสัตว์นั้นต้องเป็นความไม่มีภาวะนั้นอีกแล้วในความเป็นโลกเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่กับโลกนี่หมุนวนไปกับโลกเข้าในนั้นโลกเขาะจะเกินโลกโลกนี้จะอีกอีกแสนล้านปีก็แล้วแต่คุณก็อยู่กับโลกนี้ถ้าคุณปฏิบัติได้แล้วคุณก็ไม่มีสิ่งที่เขาที่โลกนี่เขาเขามีกันแต่เราเห็นว่าไม่ควรมีเราก็ไม่มีเป็นคนไม่มีในโลก เพราะ ง, งานผู้นี้เป็นความไม่มีภาวะนั้นอีกแล้วในความเป็นโลกเมื่อเขาสัญญาผิดตอนนี้เรากาลังพูดถึงคนที่กำลังผิดกาลังสมุทฐานกำลังตั้งหัวข้อเพราะงั้นเมื่อเขาสัญญาผิดหรือปฏิบัติผิดเขาย่อมไม่มีภาวะที่ควรใช่ไหมเขาปฏิบัติผิดก็กย่อมไม่มีภาวะที่ควรมี สมจริงตามความรู้เพราะความรู้ของเขามันผิดมันก็เลยสมจริงตามความรู้ของเขาเขาก็ไม่มีจิงที่ไม่มีมันปนกันอยู่นะว่าคำว่ามีก็ไม่มีเนี่ยมันควรต้องตั้งหลักให้ดีๆเราจะไม่สับสนนะเพราะว่ายังไม่สามารถแยกความเป็นกายยังไม่สามารถแยกความเป็นกายได้จึงยึดกายที่ไม่ใช่นิโรธอริยสั์ ยึดองค์ประชุมของจิตที่งเป็นนิโรธอ ร, ริยสัพแต่มันไม่ใช่เขาหลงว่าใช่นั่นเป็นอัตตาอยู่เขาหลงว่าใช่เขาขยึ้เป็นอัตตาอยู่สัญญาของเขามั่นหมายว่านี่แหะใช่แต่เขาสัญญาผิดจึงเรียกสัญญานี้ว่าวิปปัลลเรียกดยศัพทวิช า, ารเรียกว่าสัญญาอย่างวิปปลลบาลีก็ว่าวิปปัลล พระตาบาลจวิปัลาธรรมาเป็นไทยนะครับแบบลดอนึงเขาออกตัวเนึ่งเป็นวิปลาเลยแปลว่าความคาดเคลื่อนหรือว่ากริยาที่ถือโดยอาการวิปริตผิดจากเป็นจริงหรือความเห็นหรือความเข้าใจคาดเคลื่อนจากสภาพที่เป็นจริงจนะอันนี้อรตมาก็าเอาแปลมาจากพจากนานุกรมของท่านพรมคุณาพรบ้างของใครใครที่เห็นว่าอรรมาเห็ น, คนโคตมาก็ ก็าอาศัยผกนี้แล้วเต้องขอบคุณขอบคุณท่านผู้ที่ทําอะไรไว้บุรณะจารย์ที่ท่านทําหลักฐานพวกนี้ไว้ให้อัตมาได้เอามาใช้่ที่นี้นี่เกิดมาแล้วว่าเป็นนิโรธที่สัญญาวิปลาสทีนี้เรามาดูเหตุกันดูเหตุที่ทําให้มีความคลาดเคลื่อนหรือวิปลาสผิดพลาดไปอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างเหตุที่ทําให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนหนึ่งหลงว่าตนปฏิบัติมีนิโรธแล้วเอาอันนี้ก่อนคํานี้เลย ลงว่าตนปฏิบัติมีนิโรธแล้วแต่แท้จริงนั้นนิโรธที่สามารถทําได้นะที่เขาทําได้นั้นยังไม่ใช่สัญญาเวทีตันิโรตนิโรธที่เขาทํานั้นยังไม่ได้สิครเขาทําได้เขาทําได้เลยนะแต่นิโรธนั้นยังไม่ใช่สัญญาเวทีตันิโรธเพราะอันนี้มัของพระพุทธเจา้านะไม่ใช่สัญญาเวทีตันนิโรธที่เป็นความดับสิ้นอวิชชาสังโยชน์หรืออวิชชาสวะ ถึงขั้นสัญญาเวทีเจตนนโรดที่จะต้องดับอวิชชาสวะผลอวิชชาสังโยนะเพราะว่ามิชาทิฐิอยู่เขายังมีความเห็นไม่ตรงความเข้าใจไม่ตรงความรู้ยังไม่ตรงยังมีมิชาอยู่จึงสัญญาวิปลาสจึงกําหนดหมายคลาดเคลือ่อนเพราะกําหนดหมายนิโรดไม่เป็นบ้างกําหนดหมายไม่เป็น กำหนดนิโรธผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากภาวะที่เป็นสัมมานิโรธบังทําไม่เป็นเลยหรือทำแต่มันคลาดเคลื่อนไปจากความจริงไม่ใช่สัมมานิโรธหรือเพราะกําหนดวิธีปฏิบัติผิดคลาดเคลื่อนไปจากมกรรยาศักดิ์ของพุทธบัพคือปฏิบัติไม่ตรงกรับมรรยาศักดิ์ของพุทธก็เลยเนี่ยนะคนนี้ก็คือคนที่ ระดับที่หนึ่งในะนคนที่ผิดนะไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่มีความถูกต้องเป็นการคาดเคลื่อนนะ <c oughs> ที่เป็นผู้ที่มีนิโรธเหมือนกันปฏิบัติมีนิโรธแล้วก็ยึดนิโรธอยู่แต่นิโรธตรงนี้มันสัญญาวิปลาสไลก็เป็น นิโรธที่ผิดนิโรธที่ไม่จริงนะปฏิบัติผิดา้าเกินไปจากมากรรยาทบ้างทีนี้ก็สองนหนึ่งนั่นนิโรธผิดสองตอนยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าหลงว่าตนเองปฏิบัติถึงขั้นดับกิเลสแล้วนะแท้จริงนะตนเองมีกิเลสอยู่แต่หลงว่าตนปฏิบัติดับกิเลสแล้วเนื่องจากสัญญาวิปาลาสนีกแหละ เนื่องจากสัญญาพิพิลาเพราะว่าเข้าใจความเป็นสัญญาธาดเคลื่อนไปบางเข้าใจสัญญาไม่ผิดตรงอบางทีเข้าไปเข้าใจสัญญาแต่เพียงแต่เป็นความจําส่วนกำหนดหมายนั่นนะคือสติสว่าั้นน่ะี่มันมีผู้ที่แสดงมาว่างไงจึงอาตมาก็ว่ า, วาลาดุเคลื่อนนะนะเริ่มต้นธาดเคลื่อนสัญญามันจําก็ไม่ผิดหรอกจําด้วยมีหน้าที่สองหน้าที่ใหญ่สัญญา จำได้กับกําหนดหมายรู้ต่างๆเนื่องจากสัญญาวิปลาสเพราะว่าเข้าใจความเป็นสัญญาคลาดเคืกิดในบ้างจึงกําหนดหมายปรมัตธรรมไม่ถูกต้องได้แท้จริงเพราะงั้นเมื่อเขาสัญญาวิปลาสเขาก็ยิ่งกําหนดไปกาหนดเจตไปปรมัดจิตเจตสิกก็ยิ่ ง, งไปใหญ่เลยเพราะมันยากใช่ไหมมันก็ยิ่งไปใหญ่เลยจึงกําหนดหมายปรามาตธรรมไม่ถูกต้องในแท้จริงเพราะกําหนดหมายความเป็นกาย ฟังให้ดีนะอัตมาเอาคำว่างายยิ่งใหญ่คำวาง่ายเอาว่ากำหนดหมายความเป็นการฆ่าเคลื่อนไปจากสัจธรรมบ้างไม่ว่าจะรูปกายหรือนา ม, มากายนะจะทำให้เล่นเป็นรูปกายนี่กายของพระเจ้านี่มันหมายถึงองค์ประชุมต้องเชื่อมต่อจากข้างนอกมีรูปมหาภูตรูปมาเลยจนกระทั่งเข้าไปถึง ปาทายรูปแล้วก็ไปถึงข้างในที่เป็นนามรูปลึกซึ่งไปจกนกระทั่งถึงนามกายที่ลึกสุดเหลือแต่ทวารใจมณายตนะกับธรมมายตนะความเป็นกายของมนายตนะกับธรรมายตนะซึ่งไม่มีผัสสะข้างนอกแล้วก็ตามแต่ยังมีอายตนะระหว่างใจใกายที่ ในใจของตัวเองกับภาวะที่มันทรงอยู่เรียกว่าธรรมะใจก็คือมนณะนะอยังเลือดสองเยลแท้ๆนี่ปุงแต่งกันอยู่มีอะไรกันอยู่ก็ยังเรียกว่ากายเลยขอพระเจ้าละเอียดถึงขนาดนั้นนะเดยกว่าแล้วท่านอกว่ายัางเรียกว่ามีปัจฉะด้วยนะถือขนาดนั้นจะก็เรียกว่าปัจฉะแต่ต้องอธิบายไปขั้นสูงของคนสูงไระดิสับสน พราะัสสาะนี้จะเอาแต่ข้างนอกพอไปถึงขั้นนี้จริงๆเป็นกายและก็เป็นปัสสาะซึ่งในที่นี้มีอาตามาอธิบายถึงปัสสาะที่อ้างอิงของธรรมทินนาภิกษุท่านก็พูดถึงอันนี้เพราะว่าปิสาขาอุบาสกท่านถามเหมือนกันว่าสัญญาเวทิจิตแตนิโรธแล้วเนี่ยออกแล้วพ้นแล้วจากสัญญาเวทิจิตนิโรธได้สัญญาเวทิจิตนิโรธแล้วด้วยแล้วมีปัสสาะเท่าไหร่เห็นไหม ก็มีปรษาสามอย่นี้เป็นต้นเดี๋ยวค่อยอธิบายพอถึงเวลานั้นจะอธิบายให้ฟังโดยโคตของท่านธรรมจินนาธรรมจินนาเนี่ยนันน่นอธิบายแล้วท่านท้าไปถามพระพุทธเจ้าวิสาขานี่ก็ไปถามพระพุทธเจ้าเขาไปถามพระเจ้าพระเจ้าแล้วถามแล้วเล่เาตามที่ท่านธรรมจินนาตอบเลยเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเพราะว่าถามมาแล้วนี่เป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่า ธรรมิตาก็พูดถูกหมดทุกอย่างแล้วถ้าเราจะต่อต่อเมือ่อไหั่แหละท่านกคเลยบอกบอกธรรมอุบาสกวิสาขถ้าอย่างนั้นนะเอาต่ อ, อคนที่ยังหลงตนมีกิเลส ก, ก็นึกประดับกิเลสแล้วนี่ก็สัญญาเวลาพเพราะเข้าใจคลาดเครื่องไปจากธทาจนกระทั่งไม่กำหนดทมไม่รู้เรื่องรูปกายกำหนดกายไม่เป็น รูปกายก็ตามนามกายก็ตามโดยเฉพาะกำหนดหมายตัวตนของกิเลสตัวตนของกิเลสภาษาไทยเราตัวตนแปลคำว่าอัตตาก็อัตตานี่แหละกำหนดตัวตนของกิเลสไม่ถูกนะเป็นนามกายนะอัตตาเนี่ยเป็นนามกายกำหนดไม่ถูกตัวตนของมันจึงล่วงพ้นแม้แค่กิเลสขั้นต้น ภาษาวิชาการได้บอกวิติกาม ก, กิเลสไปตามลําดับก็ยังไม่ได้จึงไม่ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้นไม่ถูกต้องนี่คือผิดนะไม่ใช่ไม่ถูกต้องนี่คือไม่สัมผัสไม่ใช่นะครับภาษาไท ย, ยต้องกำกับอยู่เรื่อยจึงไม่ถูกต้องคือไม่ผิดคือผิดนั่นแหละตั้งแต่เบื้องต้นแต่คนจะมีกิเลสแบบนี้ก็ทำสัญญาวิปลาส ด, ด้วยสามกำหนดการเกิด คือชาติชาติเนี่ยกําหนดการเกิดยังไม่สมาธิฐิจึงยังผิดพลาดพลาดเคลื่อนอยู่ก็ยังสัญญาวิปลาสอยู่เช่นต้องเข้าแล้วก็ต้องออกอยู่นะเมื่อเข้านิโรธแล้วก็พอเข้านิโรธแล้วก็คือมีการดับใช่ไหมเข้านิโรธนี่เราแปลว่าดับใช่ไหมเข้าไปทํานิโรธพอเข้าแล้วก็มีมีการดับแต่ก็ออก เมื <coded> ่อออกนิโรธก็มีการเกิดเมื uh, ่อมีการดับการเกิดแล้วก็ต้องดับอีกเกิดอีกเยเข้าๆออกอย่างนี้เนี่ยนิโรธเข้าๆจะไปอย่างนั้นอเข้านิโรธออกนิโรธเข้าออกเข้าออกอย่างเงี้ยนี่มันก็ไม่มีการหยุดดับหยุดเกิดสิเจ่ามามันมีการหยุดดับหยุดเกิดมันก็ต้องดับต้องเกิดต้องดับต้องเกิดอยู่เงี้ยนั่นคือยังวนอยู่กับการเกิดการดับจึงยังไม่มีความดับเหตุ ดับปัจจัยกะตั้งสิ้นความไม่เกิดไม่ดับอีกแล้วจึงไม่ใช่การดับชาติจนสนิทเด็ดขาดเพราะไม่รู้จักการเกิดการเกิดนี่นก็คือชาติจะมามันก็เกิดอยู่งั้นเป็นอาการของจิตนะไปทำให้จิตเกิดเกิดอะไรเกิดนิโรธ ด, ดับดับอยู่งั้นนิโรธมันมือดอยู่งั้นดำดอย่่งั้นไม่มีอะไรอยู่งั้นนี่คือนิโรธของที่มันไม่ใช่แบบพุทธ ฟังให้ดีๆแต่อาตมากําลังเอามาผ่าตัดให้เสจนสายให้รู้หมดเลยตับไตเส้นพุงอะไรามาแฉให้หมดนะเพราะว่ายังมีการเข้านิโรธแล้วก็ยังมีการออกนิโรธจึงยังมีการดับแล้วก็วนเวียนมามีเกิดการเกิดแล้วก็ยังมีการดับการเกิดอีกแสดงว่าไม่รู้จักแม้าว่าชาติชาติและชาติดับที่เป็นปฏิจจสมุปบาท ไม่รู้จั ก, กครวิชาในเละจีของตัวเองทํางนั้นไม่รู้นนี่คือไม่รู้จักการเกิดคือไม่รู้จักชาติในข้อสามข้อสี่ยังมีโลกโล ก, กะหรือพบมีโลกหรือมีพบเพราะไม่ได้ดับเหตุแห่งการเกิดโลกไม่ได้ดับเหตุแห่งการเกิดโลกหรือเกิดพบแบบอริยสัจสี่ยังมีโลกมีพบเพราะยังไม่รู้จักโลกที่เป็นโลกุตระ มันเป็นชนนะยมะยังไม่รู้จากโลกที่มันเป็นโลกกิยะมันเป็นฉชนัะโลกที่เป็นโลกกิยะก็ยังไม่รู้โลกที่เป็นโลกุตระก็ไม่รู้แม้แค่ความเป็นโลกนี้ภาษาบาลีเรียว่าอายังโลกโอหรืออายังโลกหรือโลกหน้าปโรโลกโอหรือปโรโลกเรียกเป็นไทยก็คือปโรโลก ยังไม่รู้แม้แต่โลกนี้โลกปรโลกไม่รู้ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าห ม, มายความว่าอะไรหรือเข้าใจกับยังมิฉาทิฐิอยู่นี่เป็นต้นก็ยังไม่สมาธิฐจึงไม่สามารถปฏิบัติมรรคองแปดให้เป็นสมัมสมามรรคสมาพุนอันนี้ยืนยันเลยเพราะว่านี้เป็นทิฐิที่อยังโลโก้ปโลโลก้ของพระพุทธเจ้านี่อยู่ในพระพุทธเจ้าอาธิบายถึงมรรคองแปดหรือการทำสำมาสมาธิ ข้อที่แปดของมรรคองแปดเนี่ยต้องสมาธิฐิก่อนสิบข้อเพราะใ น, นข้อโลกนี่ยังไม่ไม่ไม่รู้เลยโลกนี้โลกน่ายัางไม่รู้ก็ต้องไปอ่านเขาแต่ปิดกเล่มสิบสี่ข้อสองร้อยห้าบสองถึงสองรอยแปดสิบเอ็ดดีๆอ่านสักห้าร้อยเที่ยวน่าจึงยังมียังมีโลกส ม, มุทรไทยอยู่แน่นอนเพราะไม่รู้จักโลกก็ต้องมีโลกส ม, มุทรไทยอยู่งั้นไม่หมดไปได้ อโลกนิโรธจึงยังไม่มีคนนี้ก็คือคนมีอโลกนิโรธก็ไม่มีเขาก็มีแต่โลกสมุทัยอยู่อย่างนั้นทีนี้ข้อห้าข้อสี่ยังมีโลกข้อห้า 5, ยังมีความเป็นสัตว์มีสังโลดต้องยอมรปบว่า เ, เกิดฝูงสัตว์ไว้ยังเป็นสัตว์อยู่มีความเป็นสัตว์ว่าก้าอยู่นะ มีความเป็นสัตวาะกาสัตว์ในที่นี้คือสัตว์โอปปปาติกนะพระบริวรสัตตาโอปปปาติกาเป็นข้อกนะ้าวสัตวสตวาะสัตว์โตปาติกานี่เป็นสัตว์ที่หมายถึงนะ่หมายถึงในสมาธิทิ่สิบในสมาธิทิ่สิบที่จะปฏิบัติมากคงแฝงสมาธิทิ่เป็นประธานต้องทําความเข้าใจหรือทําทิฐิให้ตรงกันก่อนสิบข้อ โอปปาติกะนี้ขอกลาสับทางจิตวิญญาณตามที่วระเจ้าจตรัสไปในการปฏิบัติมักอันมีองแปดจึงยังไม่พ้นสังโยชน์สมบูรณ์เพราะายังไม่รู้ความเป็นสั ต, สตว์ะก้าวยังไม่รู้เพราะว่าตัวตนของสัตว์ตัวตนคืออัตตาตัวตนของสัตว์ตั้งแต่สักกายสักกายก็ตัวตนนะ สกายะก็ตัวตนเป็นตัวตนเบื้องตน้นนเป็นอัตตาเบื้องตน้นสักายะนี่คือตัวตนเบื้องตน้นต่อไว้แล้วก็ต่อไปจนถึงตัวตนเบื้องกลางและสุดท้ายตัวตนเบื้องปลายคืออาสวะตามลําดับอย่างลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลเบื้องต้นกลางปลายตาลงไปเหมือนฝั่งทะเลกิเลสหรืออัตตาจึงไม่ถูกกําจัดหมดสิ้นละเอียดจริงบริบูรณ์เพราะปฏิบัติไม่ถูกลําดับน่ะ ไม่รู้จักความเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นกําจัดสัตว์ไม่ได้เนะบื้องต้นทำกลางมันปลายกําจัดไม่ได้เบื้องต้นหยับยาบสัตว์หยับยาก็ายังไม่รู้จักจะไม่ทําสัตว์ละเอียดละเอียดเล็กๆข้างในข้างนอกแท้ๆตรงๆไม่เรียนผิดลําดับเบื้องต้นทำกลางมันปลายไม่ลาดลุ่มเหมือนฝังทะเลดังที่พระเจ้าตราสนี้หมดชานะเพราะว่ายังไม่ สัมผัส ด, ดิโมกแปดด้วยกายถึงขั้นเห็นเห็นก็คือปัสสักหรือปัจจนาปัสจเตกนี่แหละถึงขั้นเห็นความจริงด้วยปัญญาชอบยิ่งปัญญาชอบยิ่งคือสมบัตปัญญาว่าเพราะว่าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้สัมผัส ด, ดิโมกแปด้วยกายถึงขั้นเห็นเลยเห็นด้วยปัญญาอย่งว่าอัตตาหรือตัวตนของกิเลสหยาบกลางละเอียดทั้งหลายนั้นเด่นดับ ด้วยการสํารอกโดยไม่เหลือนะได้ดับลงไปจนด้วยการสํารอกสํารอกโดยไม่เหลือมาซาบาลีว่าอะเซสวิราคนิโรธันนิโรธานะก็คือสํารอกนแปลเป็นไทยว่าด้วยการสํารอกดับดับคือนิโรธานี่ดับดับด้วยการสํารอกโดยไม่เหลือนะก็ยังทําไม่ถึงนะตัวตนขั้นกลาง อยาบกลางละเอียดก็ไล่ไม่ถูกแล้วก็ดับทําให้ดับหมดไม่เหลืออะไมดับให้หมดไม่เหลือเนี่ยทําไม่เป็นทําไม่ได้แม้ที่สุดอาสวะหมดอาสวะแล้วเนี่ยยังไม่พูดพูดไม่ได้เลยชนิดที่รู้อยู่เห็นอยู่นะที่ผู้ที่จะสามารถทําได้เนี่ยจะรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันเห็นอยู่ละรัดเลยสัมผัสอยู่ว่ามันหมด ่ะตัวตนมันดับมันหมดเห็นตัวตนไม่มีตัวตนหายไปก็จึงชัดเจนว่าโอ้ยตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนมันมาหลอกเราตั้ง น, นั้นไม่ใช่ตัวตนแท้เลยเอาไปเอามาเราฆ่ามันได้สบายยิ่งฆ่าเรายิ่งเจริญแทนที่ว่าเรายิ่งทุดถึ่งเสื่อมไม่ใช่เลยมันไม่ใช่อะไรของส่วนเราเลยมันเป็นภัยต่อเราตังาง้งนานยิ่งเอาออกยิ่งออกหมดตัวตนยิ่งโอ้โหยิ่งเจริญน่ะ โดยเห็นชัดชาดชาณโตัวปัสสาววิหรารติเพราะฉะนั้นผู้ใดทำไม่ถูกความเป็นสัตว์ในตนจึงยังไม่หมดสิน้นหกยังมีกายน่ตัวนี้จะต้องพูดกันนานเลยเวลาก็จนจะหมดเวลาจนหมดจริงๆยังมีกายกายะเนี่ยมีกายที่ไม่สมาธิ จะมีกายที่ยังไม่สมาธิทิศที่ไม่สมาธิทิศเพราะว่าความเป็นนิโรธของคนผู้นี้นี่ยังมีฉาทิิจึงได้นิโรธที่ยังสัญญาวิปลาสอยู่เช่นนิโรธที่มีองค์ประชุมคือกายนี่แหละกายที่ประชุมเข้าไปอยู่ภายในใจเนี่ยองค์ประชุมกายนิโรธที่เป็นองค์ประชุมเป็นความมืดดำองค์ประชุมเรียกว่ากายนิโรธที่มีองค์องค์ประชุมเป็นความมืดดำ ความมืดดาในภาษาบาลีว่ากินน ะ, ะหรือเป็นความสว่างใสควาสว่างใสนี่เรียกว่าอภัสรามีเหมือนกันบางทิฏฐิบางสํานักบางลทัทธิไปหลงความกว่างใสเป็นนิโรธเป็นเมืองนิพพานนะเป็นความสว่างใสก็ยังหลงกันว่าเป็นแดนนิพพานเป็นแดนพรมซึ่งเป็นองค์ประชุมในจิตใจ นี่ไม่ได้ไหมายความว่าเอาร่างกายนะไม่ใช่สรีระนะเอาใจนะเพราะว่าไม่ได้เรียนรู้กายไม่ได้เรียนรู้เรื่องกายที่ชื่อว่ากายภายนอกกระทั่งถึงกายที่ชื่อว่าภายในไม่ได้เรียนกายภายนอกกายภายในไม่ไดเรียนและสัญญาที่กำหนดหมายรู้รูปกายและนามกาย สัญญาด้วยสี่เว่าเป็นวิปลาสนี่นะทั้งกายเาก็ยังไม่ยังวิปลาสยังคลาดเคลื่อนสัญญาที่กำหนดหมาย ร, รูปกายและนามกายทั้งที่เป็นองค์ประชุมอันมีสัมผัสรูปกายและนามกายที่เป็นองค์ประชุมที่เกิดจากสัมผัสพร้อมสัมผัสพร้อมเลยมีสัมผัสแล้วก็พร้อมไปด้วยวิ ญ, ญญาณหกอายตนาหกผัสสะหเวทนาหกตัณหาหกอย่างครบถ้วน ตามที่เล่มสิบหกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปในปฏิสูบท์เลยข้อที่บอกว่าครบพร้อมอยู่ในตั้งแต่วิพังกสูตรเลยนะในวิพังกสูตรวิพังกสูตรข้อไล่ไปเลยในตั้งแต่่าข้ออะไรไปถึงข้ออะไรข้อสิบข้อสิบถึงข้อสิบห้าไล่ไปข้อสิบถึงข้อสิบห้าเลยนะไม่ถูกตามครบถ้วนไม่ตามคำสอนนั่นเป็นพระวจนะของพระพุทธเจ้า นะแต่แตในประเด็นทงได้ส่งเียนอาจารย์ไปแต่ข้อสิบถึงข้อสิบหาจึงไม่สามารถสัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายสัมเด็จเอริยาบทอยู่ไม่สามารถสัมผัส ด, ด้วยกายองค์ประชุมที่มันจะเป็นกายไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้ไม่ได้ปิดเปิดทั้งหมดแล้วก็จะเห็นกายนอกกายในกายนอกกายในเข้าไปทุกระดับเพราะงั้นย่อมไม่เห็น ปัจสโตหรือปัจสตีย่อมไม่เห็นด้วยปัญญาอันชอบยิ่งคือสมปัญญาจึงไม่สามารถเห็นแจ้งเห็นก็คือปัจสโตแจ้งก็คือสัจชิไม่เห็นแจ้งนิโรธหรือวิมุตซึ่งเป็นขั้นสิ้นอาสวะได้พราะจึงไม่เห็นแจ้งสิ่งเหล่านี้ได้นะเพราะว่าคำนวกายไม่รู้แลยไม่ถูกมโมกแปดใกาย เดี๋ยวก็ขยายความวิมุกแปดถูกวิมกแด้วยกายคืออะไรเพราะไม่มีปัญญาหรือแม้แค่ไม่มีสัญญาอย่าไปพูดถึงปัญญาเลยแม้แต่แค่สัญญาถึงจะมีก็ใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกโกดิษสัญญาวิปลาสเนี่ยใช้ไม่เป็นหรืใช้ไม่ถูกมันคาดเกลื่อนอย่าไปพูดถึงปัญญาเลยแม้แต่สัญญาอะไรใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกที่จะกําหนดหมายรู้ความเป็นสักตวาะก้าว ฟังนี่ดีนะความเป็นสัตว์นี่ถ้าไม่เข้าใจความเป็นสัตว์นี่นะคุณไม่พ้นสังโยชนิสิบได้นะถูกผูกสัตว์ไว้ครบสังโยชนิสิบอยู่นั่นแหละศตววารการต้องเข้าใจว่ากายที่ตั้งจัดไว้นะว่ากายกับสัญญาเนี่ยมันคืออะไรคุณต้องรู้แล้วคุณต้องปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติไม่ตรงอย่างสัญญาวิปลาสอยู่นะั้นกาหนดกายก็ผิดแม้แต่ตัวสัญญาเองคุณก็ยังกําหนดผิดเลยแล้วมันจะทํายังไง ตัวเองเป็นคนยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นค น, นกำหนดคนนึกว่าเราเองเราเป็นเทวดานึกว่าเราเองเป็นสัตว์เดรัจฉานยุ่งเลยถูกไหมเมื่อก็ไปกันใหญให่ต้องรู้ทั้งกายทั้งคำกายและสัญญาในสัตต์วาเก้าหรือว่าในวิญญาณทิศทิ่เจ็ดหรือแม้จะกำหนดหมายรู้ได้นะผู้ที่ยังไม่ค่อยตรงเนี่ยแม่หมายกำหนดรู้ได้ก็เป็นสัญญาวิปราฐแน่นอน จึงหลงผิดหลงผิดอะไรหลงผิดอสัญญีสัตว่าเป็นสัญญาเวทิจิตนิโรธหลงผิดอสัญญีสัตว่าเป็นสัญญาเวทิจิตานิโรธดังนั้นนิโรธที่ได้ก็ยังมีกายมืดที่มืดดำกายนิโรธอริยสัตว์อสัญญเนี่ยไม่ใช่อริยสัตว์ไปกำหนดได้อสัญญีเป็นนิโรธก็ได้กายที่มืดดำองค์ประชุมของจิตที่มืดดำ ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยปัญญาตามความเป็นจริงเพราะเป็นดับสัญญาอันนี้แหละเขาดับสัญญาให้ตนกลายเป็นอสัญญีสัตว์จึงไม่รู้แจ้งว่าอะไรเป็นผลได้ความว่างแบบไหนกันแน่เขาจะได้ความว่างนะดับก็จะได้ความว่างสุญญตาี่ความว่างไม่ไม่รู้ว่า ไ, ได้ความว่างไม่รู้ว่าความว่างแบบไหน ยิงอยู่ในขณะนั้นน่ะอาจจะว่างจากกิเลสปรุงแต่งอยู่หน้าบัตรเดียวนั้นเลยในขณะที่นั่งสับตายนั้นนะบัตรเดียวนั้นเลยนี่นะนะก็อาจจะว่างจากกิเลสปรุงแตง่งคือมันมีกิเลสปรุงแตง่งเพราะมันดับปีอยู่ใช่ไหมในบัตรเดียวนั้นเลยในขณะนั้นเลยภาษาบาลีท่านเรียกว่าสัมปติบัตรเดียวนั้นเนี่ยท่านเรียกนะซัตเตรลลี่เลยนะทันทีทันใดเลยนะบัตร น, น, นั้นเลยเรียกว่า สัมปติภาษาบาลีท่นียว่าสัมัติพรอะได้ถึงพร้อมนะพรตอนนี้ถึงพร้อมนะเด็กกลายเป็นแล้วได้สําเร็จแล้วได้เข้าเป็นอะไรอสันดิสัตว์เนี่ยได้เข้าถึงพร้อมได้กลายเป็นแลรวได้สําเร็จแล้วนะสาเร็จอะไรภาษาบาลีว่าสัมปชติสําเร็จเนี่ยความมืดดับได้กินอะหารนั่ น, น, ะนะหรือบาง บางทิฏฐิก็ยึดความสว่างใสอยู่ในภวังอภัศราก็เป็นการผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นเรียกว่าพันสัมพันธะสัมพันธ์นี่แหละสัมพันธะเป็นการผูกพันซึ่งเป็นการสัมผัสถูกและการถูกต้องก็คือผัสสะหรือสัมผัสสะหรือสัำผลสติหรือสมผุชนะภาสาบาีั้งหดตนนั้นนีสัมผัสแล้วผูกอยู่แล้วเกี่ยวข้องสัมผัสอยู่แล้ว สัปปะวานนั้นอยู่ละคือสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับความมืดดำนั้นหรือความสว่างสวยอาตมาบอกทั้งสองอย่างนะทั้งความสว่างสวยใสทั้งสองอย่างนั้นอยู่ยังไม่เข้าใจความเป็นกายที่ชื่อว่าเทพสุปกินนะหะยังไม่เข้าใจความเป็นกายที่ชื่อว่าเทพอภัสราความเป็นกายเขายังไม่เข้าใจเข า, เขาไปได้อันนี้อยู่จริงๆเป็นมโนมยอัตตา ได้รูปสิสมเรส จ, จิตเป็นรูปสุปกินนะหะรูปเป็นรูปมืดดำหรือรูปสว่างใสเป็นเทพอภัตระดูเวลาอาจารย์กฤษดาครับเกินห้าทียังยังครับดูอยู่มันเวลาหมดแล้วก็ <laughs> <laughs> <laughs> เอเอเอาเอก็ต้องวักแล้วเอานำมาคุณสรุปเจ้าต้องจสรุปได้กันแล้วกันไม่ไมเวลาหมดจริงๆครับก็ไม่มีอะไรมากครับคือเป็นการทำความเข้าใจซ้ำจากที่พ่อครูได้อาธาิบายมาก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าประเด็นที่สาคัญวันนี้คืออย่างที่ผมผมใช้คำพูดเปรียบนะครับอาจจะตีตัวรถไฟผิดขึ้นรถไฟผิดด้วยนะครับตีตัวก็ตีผิดคือรถไฟก็คือรถไฟผิดขบวนแต่เข้าใจว่าตัวถูกรถไฟถูนะครับ แล้วมัเข้าใจว่าปลายทางนั้นน่ะเป็นปลายทางเดียวกันทั้งทั้งที่ขึ้นรถไปคนละคนคนละคนละขบวนกันแล้วรางคนละลางกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับทำให้หลายหลายคนเมื่อกี้มีเห็นมีเอสเออครับบอกว่ามีท่านหนึ่งบอกว่าตั้งใจดูประเด็นของนิโรธมาสามครั้งแสามวันนะฮะดูทวนซ้ำก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเก้าสิบเอร์เซ็นตตรงนี้ครับเห็นมีเอสออสลองดูนะครับไม่รู้ของใครครับผมมองดูว่า เอ่อท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและฟังพ่อครูมาโดยตลอดอย่างที่ผมเกิดนน่ตั้งแต่เปิดเปิดรายการแล้วครับว่ากระบวนการในการอธิบายทำเนี่ยแค่อารยศาสตร์เสี่างเดียวทุกสมุทรทยนิโรธมัดเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่แยกส่วนหรือท่องอย่างนี้นะครับกระบวนการในการดับทุกนะครับเพื่อให้สิ้นสุดภาวะคือการนิโรธคือการดับน่ยการดับนั้นเป็นเช่นไรพ่อครูพยายามอธิบายมาโดยตลอดนะครับเพราะว่า การดับนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการดับอย่างพุทธดับอย่างถูกต้องเพราะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการในการดับหลงต่อความดับเนี่ยมีมาตั้งแต่อดี ต, ตการพ้นก่อนที่จะมีพระพุทธองค์ก่อนบิณฑีมีเจ้าชายสิทธัตถะขึ้นมาเกิดขึ้นมาอีกบนโลกใบนี้นะครับแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ได้ค้นพบก็คืออริยสัจสีนั้นเป็น คำพูดที่คําว่านิโลดมีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่นี้โลดที่แท้จริงทางพุทธนั้นเป็นเช่นไรเพราะครูได้อา ธ, าธิบายมามากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆท่านดูเนี่ยอาจจะยังสับสนแม้กนะระทั่งผมเองผมก็ยังต้องทอบทวนอยู่ตลอดเวลานะครับก็ต้องมีอะไรเปิดอยู่ตลอดเวลาทําความเข้าใจกับศัตวาดาวเก้านะครับซึ่งตรงหรือ ว, วิญ ญ, ญาณทิติเจคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ก็เป็นส่วนหนึ่งในศัตวาว่าด้านะครับพอเพิ่มอีกสองก็จะเป็นเกนะครับแล้วก็กระบวนการของปฏิกิิยสมุตดบาทนั้นนะ่ยจะต้องถูก ตัดโดยกระบวนการของนิโรธถ้าไม่มีนิโรธก็จะตัดไม่ได้กระดับไม่ได้มันก็จะตัดเส้นทางของทุกข์ไม่ได้ตรงเนี้เป็นสิ่งที่สาคัญเพราะครูได้อาธาิบายวันนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุที่ทําให้เกิดความคาดเคลื่อนของริปบาลมีถึงหกประการนะครับก็ต้องไปทําความเข้าใจกันมากๆยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้จะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่สําคัญที่รครูอาธาิบายก็คือสุดท้ายก็คือมรรคองค์ข้อที่หนึ่งนะครับเออ่ ต้องไม่เกิดมิจฉาทิฏฐิควรจะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิยังไงก็ต้องเกิดกระบวนการของความเป็นสัมมาทิฏฐิตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญในการทําความเข้าใจวันนี้หลายๆคนอาจจะฟังสับสนหรือไม่สับสนก็ทวนดูนะครับทบทวนธรรมะฟังดูซ้ําอีกทีหนึ่งคือคําว่าโลกคําว่าโลกนะฮะโลกลอลิงโลกโลกในความหมายเนี่ยมันมีในความหมายของโลกเนี่ยเป็นเช่นไรแต่ใช้คําคําเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะครับ คำว่ามีกับไม่มีอะไรคือมีอะไรคือไม่มีตรงนี้ถ้าทำความเข้าใจจะทาจะเข้าใจได้ถึงในสิ่งที่พ่อคัวอธิบายวันนี้นะครับผมคงสรุปประมาณนี้นะครับพ่อรัวครับ oh. ครับก็กราบขอบพระคุณพวะคุณมาในโอกาสนี้อย่างสูงยิ่งนะครับที่ได้อนนี้รายดีสกล้ก็ราบรืน่นดีค ร, รรดครับา <laughs> วันนี้สกายก็ราบรื่นดีขอบคุณทีมงานที่ทําให้เราอยู่กันห่างไกลขนาดนี้ก็วันนี้ได้ใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามดูได้ดตลอดนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับเดียนอิสระตามสํานึกในช่วงวันจันทร์ที่ผมกฤษดาให้วัฒนคุณผูดดำเนินรายการแล้วครับนะครับต้องขอกราบราทุกท่านมาในโอกาสนี้ครับ พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับจเจริญธรรมส ำ, ำนึกดีครับสวัสดีครับอ้าวเจริญธรรมสาธุ